สหสมาพิณิมิตสาวุทานตังคารังุทิตาโคนมารังธานามทิธานมวิธินามุนิยนโดตานเตชะสาวะวตุเต ชายาสิทินจางปางมือพระ อ, องค์อรามาพุทธทาวิสุทธาสาสดาตรัตสโรอนุตตารามา ทีนาโพธิบานลางคุณมารสาหาสสาพาหูพาโหวิชาเวชิตรังที่ีรีมฆคาราปัทาง คาชาัยัมกษมหานแสงเสกสาราุทาปิตการาคิจจรอนรนันรุมพนภาโหน พายุหาปานทสามำูตะนองมาวางเพื่อผาจนวารามูนินท่าสุเชนนาราชา พระปราปะหนพายุหมาลามาเลืองมาลายสูนด้วยเดชะองพระทษสะพอนสุเโมลลาภัยบุญ ขานาธิธรรมมาวิธิกุลชานานมมโนตาด้วยเดชชาสัจชาวจานา และนมามมีองค์สามขอจงนีก่อนภาลัยามชายาเสต ท, ทุกวนันถึงแม้จะมี อาริวิเศษพระราเดชชาติยมมานขอทายผาจนพิชิตผานอริเมมุรินทอนอากรา ชั่วตื่นขึ้นไหมยังหายง่วงอยังลองอีกสักบทไหมลองไหมสวด ม, มงครปริตเคยสวดแคอยังเราเปิดไปหน้าทีหกสิบหนึ่งที่ยังมงคละสูตรเหเุให้ถึงความเจริญนะสวดวันนี้วันแม่สวดมงคลให้ฟังหน่อยเนี่ยยอมสวดทํานองอะไรกัน อานะจารย์มหาอำนาจพาสวดทำนองอะไรไม่ทราบเลยนะอ้าว oh. ลองดูนะตั้งแต่หน้าที่โผสิบเอดสวดภาษาบาลีนายอมนะออไทยก็สวดอย่างพมา่าสวดอย่างลังกาสวดอย่างแล้วสวดแบบไหนดีน <c oughs> วสวดแบบไห น, น อ้าวลองสวดดูนเนาะยมอมคอๆตามไปนะไปได้วะเนี่ยอเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภาคาวา สาวัติยังวิหรติเทตวเนอนาถิปินทิกัสาราเมอาทโคอัญญาตราเดวตาอภิการตายารัติยาอภิการตวานาเกวรกับ ปังเชตาวนานังโอภาเสตต ว, วาเยนะภาควาเตนุปสังกมิอุปสังกมิตตวะภาควันตังอภพิวาเทตตวาเอกมันตังอาทาสี เทกมันตังทิตาโคสาเดวตาภัขวันตังคาทายาตฉภาสีบะหูเดวามนุษยซาจามังคารณีอาจินตยุงอากังขานาสทธานัง บรหิมังคารมูลตมังอเสวนาจะบาลานังปันฑิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมูตตมังปฏิลูปเทสวัสโซจา โปเพจกตาปุญญาตาอาตสามมาปนีดีจาเอตัมมังครมุนตมังบาหุสัจจันจะสิปัญจาวินโยจสุสิกขิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตัมมังครมูนตัมัง มาตาปิตุอุปัฏฐานังอุตตาราจะชังโงอนาคุลาจักมันตาเอตัมมังครมุนตัมังดานันจะธรรมจริยาจายาตกานันจะสังโง อนวาจานิกรรมานีเอตัมมังครมุตตมังอารตีวิราตีปาปามัจจาปานาจาสัญญโมอปปมาโดจาธรรมเมสุเอตัมมังครมุตตะมัง คาลาวัจณีวาโตจ่สันตุทีจะกตันอยูตากาเลนะธรรมมาสวนังเอตัมังครมุตตมังคันตีจัศวะจัสตาสัมมานานจะดัตสนังกาเลนะธรรมมสากันชา เอตัมมังขรมุตตมังตโปจพรหมจริยัญจ้าอริยสัจจานัฏฐาสนังนิบบานาสัจเกิริยาจาเอตัมมังครมุตตมังพุทธัสโลกธรรมเมหีจิตตังญาสนกรมปติ อาโสกังเวราชังเคมังเอตัมมังครมูตตะมังเอตาทิสานิกัตวานาสัพพะทามปราจิตาสัพพะทโสทิงคาชันตีตันเตสังมังครมูตตมันตีพออย่างหายง่วงอย่าง หายแล้วเนะเาะอ้าวเดี๋ยวต่อไปฟังธรรมกันย้มกลับไปก็เอาไปสวดกันบ่อยๆนะสวดสาธยายสมัยพระผู้มีพระภาคเจ้ายังทรงพระชนอยู่พระพุทธเจ้าจะเวลาพระองค์เทศนาเนี่ยกล่าวพระธรรมเนี่ยฟังจะพราอมาก จะมีความไพเราะ ม, มากเขาเรียกว่าทานองสรพันยะเนี่ยเวลาท่านสวดนี่ฟังจับใจเลยฟังจนบรรลุได้ไม่ใช่เพราะอย่างเดียวรู้อัฏฐะรู้เนื้อความรู้พยัญชนะเดนินแต่ทุกวันนี้ไอ้ทนองที่ฟังแล้วทำให้เกิดศรัทธาในพระพุทธเจ้านี่ไม่ก็มีของเราเวลาสวดกันนวนเหนื่อยหน้าดูใช่ไหม สวและเหนื่อยเลยแล้วมาเช้าโอ้นี่เปนน็นปัญหาเลยเนี่ยอันนี้ปัญหามาวางไว้ดิพอเป็นปัญหาถามวันสุดท้ายโอ้โหอีกเยอะเลยเนี่ย นี่มีคําถามถามว่าอาถานนี่แปลว่าอะไร <c oughs> เอาอาถานใครช่วยอธิบายในยที่แปลว่าอะไรฮะ อ, <c oughs> อย่างที่เรานั่งอย่างนี้ถือว่าอาถานไหมอาถานไม่อาถาน <c oughs> ต้องดูคุณภาพใจด้วยนะ คุณภาพใจที่อาถานร่าเริงเนี่ยอาถานอาถานนี่เป็นชื่อของสภาพของกุศลที่เป็นไปกับกําลังของชันทะที่เป็นไปกับความรักความปรารถนาเนี่ยอย่างแรงกล้าในอันที่จะยังกระแสชีวิตของตนเองนั้นให้เดินเข้าสู่มรคาของพระชินเจ้ามีความอาถาน ไม่เกรงกลัวอุปสรรคพยันอันตรายใดๆนะไม่เกรงกลัวเพราะมั่นใจตนเองเต็มที่แล้วว่ากระแสชีวิตของตอนเองนั้นน่ะได้เข้าไปนั่งใกล้กับพระราตนีไตรแล้วมีพระราตนีไตรเป็นคติเป็นเครื่องดําเนินนําพากระแสชีวิตแม้การกระทําแม้คําพูดแม้จิตที่คิดก็เป็นไปตามพระธรรมคําคสอนก็มีพระราตนีไตรคุ้มครองตอนเองอยู่ตลอดเวลาก็ไม่กลัวอายกตัวอย่างเช่น คำว่าอาถารเนี่ยตอนที่พระเจ้าวิทุรบัณฑิตเนี่ยนะวิทุรบัณฑิตเนี่ยท่านท่านเป็นคนที่อาถารมากเหตุผลที่อาถรรพ์หนึ่งคือท่านไม่ได้ฆ่าสัตว์สองท่านไม่รักทรัพย์สามท่านไม่ประพฤติผิดในการมท่านไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคําหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อท่านไม่ได้เอาของมึนเมาใส่ไว้ในกระแสชีวิตตนเองและในขณะเดียวกันก็คือท่านเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติในกุศลกรรมวอดสิบอย่างต่อเนื่อง ใจของท่านยังเปลี่ยนไปกับกุศลท่านยังมีความอาถรรพ์ไม่เกรงกลัวอะไรทั้งนั้นเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นนะ่ปุณณะายักษ์เนี่ยจับท่านได้แล้วจับไปนจะฆ่าท่านก็คือโดยการจับเท้าท่านแล้วก็จะทิ้งท่านลงหน้าผาลงเหวเนี่ยเมื่อจับเท้าท่านก็จะหย่อนลงเลยนะเพื่อจะควักหัวใจก่อนจะฆ่าตายก่อนแล้วก็จะทิ้งลงไปในเหวเนี่ยท่านไม่สะทกสะทาอย่างนี้เขาเรียกอาถรรพ์อยู่ เออทำไมวิทุรบัณฑิตจึงอาถานไม่สะทกสถานไม่กลัวต่อความตายเพราะตอนเพราะว่าท่านไม่เคยทําชั่วอะไรไงไม่เคยทําชั่วตอนนั้นน่ยปุณกายักษตกใจปกติเนี่ยเวลาปุณกายักจะฆ่าใครมีแต่คนจะร้องขอชีวิตร้องขอชีวิตว่าอย่าทํำข้าพเจ้าเลยข้าพเจ้ากลัวเหลือเกินเนี่ยแต่วิทูระบัณฑิตเนี่ยกับอาถานเชื่อมั่นจิตใจเรียบ ไม่สะทกสถานต่อพยายนอันตรายที่มีอยู่เฉพาะหน้านี่ก็เรียกอาถรรพ์บุหนกายยักษ์็เลยถามบอกว่าวิธูและบัฑดตปกติคนเช่นเราเนี่ยเวลาจะฆ่าใครประทุษล้ายใครทุกคนจะต้องกราบกานขอชีวิตร้องว่าอย่าฆ่าเลย อ, อย่าฆ่าเลยเนี่ยแต่ทำไมท่านจึงไม่สะทกสถานจึงมีความอาถรรพ์ล่าเลง ม, มากทาไมไม่กลัวต่อความตายท่านก็บอกว่า บุญ น, นักกายักคนเช่นเราเนี่ยเราไม่กลัวต่อความตายเพราะหนึ่งเราไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้เปิดพืชผิดในการเป็นต้นถ้าเราตายเราก็ได้ดีกว่าเดิมเราจะไปกลัวทําไมใช่ไหมเอาถ้าเราตายเดี๋ยวนี้เราได้ตําแหน่งสูงขึ้นเรากลัวไหมกลัวไม่กลัวเออมันได้ตําแหน่งดีขึ้นเนี่ยแต่ถ้าตายเราไปตกนรกกลัวไหมเนี่ยเพราะท่านไม่ ท่านไม่กลัวท่านถืออาหารสิหนึ่งท่านไม่ได้ทําชั่วสองท่านไม่เคยฆ่าใครเลยท่านไม่เคยคิดปฏิทุสลายใครเลยท่านจะไปกลัวอะไรคนที่กลัวคนที่ไม่อาจหาันคือคนมีจิตคิดปฏิทุสลายคนอื่นฆ่าคนอื่นเพราะคนประเภทนี้ตายแล้วก็ตกนรกไงถามว่าไอ้คนที่จะฆ่านี่สันไหมใครอาจหาันอ่ะไอ้ปุนณะกายยักจับจับขาเนี่ยจับหูไอ้จับขาของ วิถีเราบัณฑิตจับทิษะห้อยลงเนี่ยคนที่กลัวตายกลายเป็นใครปุณณกายยักษเนี่ยกลัวตายอย่างนี้เป็นต้นอา้าวพวกเราอานฐานไหมอานานหรือไม่อานานทาจริงกลัวตายไหมวันนี้ถ้าจะตายอะ่ะกลัวไม่กลัวเพราะอะไรเพราะไม่ได้ทําดีไว้เตยมที่ใช่ไหนี่ชีวิตจึงไม่อานาน แต่ถ้าเขาทำดีไว้เต็มที่อ่ะจะกลัวตายไหมล่ะท่านบอกจะนั่งจะไปกลัวอะไรหนึ่งทํา ไ, ได้ทําชั่วอะไรเนี่ยตายก็ได้ดีกว่าเดิมความตายไม่เห็นมีอะไรเลยใช่ไหมก็เพียงลมหายใจขาดเดี๋ยวก็เกิดใหม่แล้วมันได้ตําแหน่งดีกว่าเก่าไม่เอาหรื <c oughs> อยังไม่่ะนี่เขาเรียกอาถารเอา้าที่นั่งกันเยอะนี่มีใครอาหารสักคนไหมอาถารพ์ไหม ไม่อาจหาทำไมถึงกลัวกลัวอะไรยังทำดีไม่เต็มที่งั้นก็จงทจงเจริญกรรมฐานให้เต็มที่เสียนะมาถึงวันนั้นแล้เราจะได้ไม่กลัวเนาะจะได้ไม่กลัวตายนี่คาว่าอาจหารค้าบาอาจารย์พูดบ่อยมากนี่เข้าใจแล้วนะเข้าใจอย่าง สมาธานศีลแปหากต้องรับยาตอนเย็นพร้อมกับอาหารหรือหลังอาหารจะสมาทานเพียงเจข้อเว้นข้อ6ได้ไหมแทนที่จะรักษาเพียงหข้อแต่จะได้เจข้อซึ่งก็น่าจะได้อณิสงมากกว่าเอ๊ะ เ, เดี๋ยวนี้มันมีมหรือยาที่ยาที่กินแล้วกัดกระเพาะยังมีอยู่ไหม ยังมียังมีใช่ไหมนั้นกัดแล้วตายไหมโยนี่ถามจริงนะแล้วเรากินน้ำนมากๆได้มม ม, มัั้้ยยีนนนนท่าชวกกิไห้มันดอ๋ออ๋อเราทางนี้แนะนำอย่างนี้หนึ่งสมาทานอาชีวธรรมกสีนนะถ้าพวกป่วยนะ หงดนะเว้นจากการฆ่า2งดเว้นจากการลากัก3งดเว้นจากการประพฤติผิดในกรรม4งดเว้นจากการพูดเท็จหงดเว้นจากการพูดส่อเสียหกงดเว้นจากการพูดคําหยาบ7งดเว้นจากการพูดเพ้อเจอ้อแล้วก็แก็คือสมาทานอาชีวะธรรมกสีณก็หมายว่าสมาชีวะแล้วก็สมาทานงดเว้นจากการดื่มสุามลามีัยอีก แล้วก็สมาทานเกี่ยวกับเรื่องของที่นอนที่นั่งสูงและใหญ่ไม่ประดับตกแต่งอะไรเป็นต้นนะเอาให้เลยสิบไปเลยได้ไหมได้ไม่ได้ ไ, ไ ด, ได้ก็ถ้าข้อนี้ไม่ได้จริงๆนะก็สมาทานเพราะมีศีลี่จะต้องรักษาเยอะโอัญหาเยอะจัง เอตรงนี้ตอบไปหลายครั้งแล้วนะการการเจริญอาณาปณสติเนี่ยอยากทราบว่าเอกสารอ้างอิงที่ท่านภาษาริบบทกล่าวว่าลมหายใจเนี่ยต้นลมอยู่ที่จมูกกลางลมอยู่ที่อกปลายลมอยู่ที่ท้องเนี่ยจริงจริงที่ท้องเป็นเป็นลมในท้องเป็นลมในท้องส่วนปลายจมูก ส่วนปลายลมหายใจจริงๆอยู่ที่ถุงถุงลมปอดไม่น่าจะเป็นที่ท้องแต่จะอเอ๊ะงีใ้ใครช่วยอ่านหน่อยทีตรงนี้อ่านได้ไหมมามาอ่านหน่อยทีอ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจตรงนี้เดี๋ยใครถามนะคำถามนี้ใครถามต้องยกมือหน่อยทมีไหม เอาเจ้าตัวเลยอ่ะมีใครถามไหมถามที่ต้นลมกลางล ม, ลมปลายลมเนี่ยในคำพีประิษฐามพิธามักได้อ่านใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวก็ขีดเขียนมีใครไหมเอาเลยต้องช่วยยกมือแต่ไม่เป็นไรมีใครไหมไอ้ลอฮะ เดี๋ยวตรงนี้ขอตอบประเด็นตรงนี้หน่อยนะว่าไอ้ต้นลมกลางลมปลายลมที่หายใจหายใจเข้าอยู่ที่จมูกนะกลางลมอยู่ที่หัวใจเนี่ยแล้วก็ปลายลมอยู่ที่ท้องเนี่ยนั้นหายใจเข้าออกก็คือต้นลมอยู่ที่ท้องกลางลมที่หัวใจเนี่ยปลายลมอยู่ที่จมูกเนี่ยที่ท่านภาษารี่บทกล่าวไว้อย่างนี้ท่านกล่าวเพื่อให้รู้ว่าจริงๆเวลาลมมันวิ่งเข้าไปแล้ววิ่งออกมาเนี่ยวิ่งไปอย่างนั้นจริงๆ แต่กล่าวไว้เพื่อให้รู้ว่าลมที่หายใจเข้าไปเนี่ยมันวิ่งเข้าไปถึงอย่างนี้แล้วก็ออกมาเนี่ยนะแต่ไม่ได้กล่าวไว้เพื่อให้วิ่งตามดูเพราะท่านจึงอุปมาเหมือนกับคนเลื่อยไม้โยมวเวลาเลื่อยไม้เนี่ยเขาไม่ได้ตามฟันเลื่อยเข้าไปในไม้ นะไม่ได้ส่งจิตหรือไม่ได้ส่งความรู้สึกวิ่งเข้าไปในนั้นหรอกหรือว่าวตาไม่ได้มองเข้าไปในนั้นได้มองในนั้นหรอกแต่เขามองที่ฟันเลื่อยที่กระทบกับไม้นั่นแหละจุดนั้นจุดเดียวแม้ชั้นใดลมนั้นจะวิ่งเข้ามากขนาดไหนออกมาขนาดไหนก็กระทบอยู่จุดเดียวนะที่จุดกระทบตรงปลายจมูกหรือรอบๆรูจมูกหรือริมฝีปากเบื้องบนแค่นี้แหละผู้ปฏิบัติก็จึงต้องคอยดักอยู่จุดเดียวนี้แหละ ที่ลมกระทบเข้ากระทบออกและมันกระทบอย่างต่อเนื่องด้วยสังเกตนะตราบใดลมยังวิ่งอยู่ตราบใดการกระทบก็ยังมีอยู่ตราบนั้นแหละแต่เมื่อกําลังของสติกําลังของสมาธิของโยคีผู้ปฏิบัติเนี่ยยังไม่แข็งแรงพอก็จะเห็นเพียงนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวนั้นพลังของสติยังไม่แข็งแรงเมื่อพลังของสตินั้นแข็งแรงเมื่อไหร่แล้วการดูจุดกระทบก็จะสามารถดูได้อย่างติดต่อและต่อเนื่องนะติดต่อและต่อเนื่อง นี่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้เอาล้ ว, วันนี้จะขอพูดสรุปประเด็นเนี่ยนะเพราะในช่วงนี้เวลาเหลือจํากัดแล้วที่เราจะที่เหลือทั้งหมดในวันพรุ่งนี้และอีกสองวันก็คือเดี๋ยวท่านอาจ้ามหามนตรก็จะมากล่าวต่ออาจจะนํากล่าวนําพาปฏิบัติต่อนะเพราะว่าอามาพรุ่งนี้เช้า แต่เช้ามืดเนี่ยประมาณตีสี่เนี่ยามาก็ต้องออกเดินทางเลยฉะนั้นในช่วงนี้ก็พยายามอยากจะสรุปประเด็นในกรณีาการศึกษาการประพฤติปฏิบัติของพวกเราทั้งหลายเป็นต้นด้วยฉะนั้นก็จะพูดในชั้นของคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าสรุปการประพฤติปฏิบัติเราท่านทั้งหลายสงสัยเรื่องอะไรก็สอบถามเลยนะแล้วให้ตั้งใจในการที่จะฟัง ในชั้นคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่นํามากล่าวเนี่ยโดยเฉพาะได้พูดถึงตั้งแต่เบื้องต้นมาเนี่ยอยากจะให้เราทั้งหลายเนี่ยได้สามารถเอาไปประพฤติปฏิบัติกันได้จริงๆสิ่งที่พยายามเน้นแล้วก็อยากจะบอกกล่าวเรามาตลอดเวลาก็คือต้องการอยากจะให้เราเนี่ยสามารถเข้าใจสภาพที่เป็นกุศล อย่างแท้จริงแล้วก็ตัดรอนบาปอกุศลกรรมอันชั่วร้ายทั้งหลายอย่างแท้จริงเพราะว่าการประพฤติปฏิบัติหรือการเกี่ยวข้องการใช้กระแสชีวิตที่เป็นไปในชีวิตจริงเนี่ยเช่นชีวิตของพวกเราเนี่ยมันจะต้องมีการเกี่ยวโยงพัวพันกับคนโดยทั่วๆไปใช่ไหมชีวิตของเราก็จะต้องเกี่ยวข้องกับใครบ้าง ในสิงคารกาสูตรเนี่ยผู้ได้เจ้ากล่าวบอกกับสิงคารามานพเขาไว้ตอนนั้นสิงคารามานพก็พ่อตายก่อนพ่อที่จะตายนั้นอยู่ในคนเตียงคนไข้ใกล้ตายเนี่ยก็บอกว่าให้ไหว้ทิศให้สิงคารามานพเนี่ยไปไหว้ทิศคือปกติเนี่ยพ่อของสิงคารามานพเนี่ยท่านเป็นพระโสดาบัน แต่ว่าสิ่งคารมานอบเนี๋ยเป็นบุตุชนเป็นอนาฬยะยังได้เป็นยังได้เป็นอาเรยชนเป็นอนาริยชนก็คือเป็นคนที่ยังไม่รู้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เดินตามมรรคาของปริยาเจ้ายังไมไ่เดินตามศีลสมาธิปัญญาที่พระเจ้าทรงสอนไว้อย่างแท้จริงไม่เข้าใจเหตุและผลยังเชื่อความงมงายอยู่ไปหน้าที่ไหนก็ยังเชื่อเรื่องขั้งคขังเชื่อเรื่องความงมงายอยู่เป็นต้นพ่อก็เลยวางแผนว่าเอาละ ถ้าเราจะบอกให้ลูกเข้าวาัดฟังทาไปเฝ้าพระเจ้าเลยเนี่ยลูกก็คงจะไม่ฟังหรอกอยากกันนั้นเลยคนลูกเราเนี่ยเป็นคนที่ยังไม่ค่อยฉลาดในวันนี้ก่อนที่เราจะตายเราจะบอกว่าให้ลูกเนี่ยไปทําวิธีไหว้ทิศทั้งทั้งหกก็บอกเออเนี่ยพอพ่อตายไปแล้วให้ลูกไปไหว้ทิศทุกวันแต่เช้าตู่ให้อาบน้าอาบท่าแล้วไปไหว้ทิศลูกก็เชื่อใช่ไหมต่อมาพ่อก็ตายไป ต่อมาสิงคารมานบก็เมื่อรับฟังคำพ่อไปเสร็จแล้วต่อมาก็อาบน้ำตอนเช้าก็ลุกขึ้นอาบน้ําแต่เช้าแล้วก็ไปแล้วไปตอนเช้าก็ไปไหว้ทิศไหว้ทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกได้กี่ทิศแล้วสแล้วก็ไหว้ทิศเบื้องต่ําแล้วก็ทิศเบื้องบนก็กลายเป็นหทิศทีนี้การที่ท่านไปไหว้ทิศอยู่อย่างนี้ทุกวันนั้นในที่พ่อวางแผนไว้ก็เพราะพ่อเนรู้ว่า เดี๋ยวจะได้ไปเจอกับพระพุทธเจ้าเนี่ยคือพ่อมีพ่อที่ชาญฉลาดพ่อก็วางแผนไว้ให้ลูกทีนี้พออยู่ต่อมาก็ในวันนั้นพระบรมศาสดาก็เสด็จผ่านมาเนี่ยก็ไปเห็นเห็นมานพนี่แหละไหว้ทิศอยู่ซึ่งคาลมานพเนี่ยไหว้ทิศอยู่พระพุทธเจ้าก็เลยไปสอบถามเนี่ยไปสอบถามบอกว่าเออนี่เธอทําอะไร มานพก็บอกว่าว่ายทิศ ต, ตามคําสั่งของคุณพ่อคนเราเนี่ยถ้าบอกให้ทําสิ่งที่งมงายทั้งหลายคนเราเชื่อไหมเชื่อไม่เชื่อคิดว่าถ้าบอกในสิ่งที่มีเหตุมีผลนี่คิดว่าพ่อจะไอ เ, อ เ, อ เ, อเอขาจะเชื่อไหมโดยส่วนใหญ่ก็ไม่เชื่อนี่เหมือนกันเออก็เลยไปไหว้ทิศพระพุทธเจ้าก็บอกว่าดูก่อนสิงคาลมานพในอริยวิใน ของพระคินาเจ้าเนี่ยในแบบอย่างของสังคมของอาริยชนเนี่ยเขาก็ไหว้ทิศกันเหมือนกันอนารยะเขาก็ไหว้ทิศแม้อาริยชนเขาก็ไหว้ทิศเอ อ, อนารยาชนกับอาริยชนเราเห็นไหมว่าต่างกันตรงไหนอนารยาชนกับอาริยชนเนี่ยต่างกันตรงไหนอนารยาชนก็คือบุคคลที่ยังไม่เจริญยังเชื่ออะไรแบบงมงายอยู่ ยังเชื่ออะไรเป็ น, ปนไปกับโมหะยังไม่รู้อะไรตามความเป็นจริงของชีวิตเช่นไปไหว้เจ้าขอขอท้ อ, ทอบว่าเนี่ยเช่นไปไหว้เจ้าบ้างไปไหว้สารพระภูมิบ้างไปบนบานสารก่าวบ้างอยกมือขึ้นที่มีไหมใครยังอาศัยบนบานสารก่าวบ้างไหว้เจ้าไหว้สารพระภูมิมีไม่มียังมีอยู่ไหมยังมีอยู่นะ นี่นางนางไม่มีอะไรเลยบอลนะบนบนตัวมีไหมไม่มีเลยอ้าสรุปแล้วเราเป็นอายรายชนแล้วทั้งนั้นนะทีนี้พอพพุทธเจ้าก็บอกว่าในแบบอย่างของอารยชนเนี่ยเขาก็มีการไหว้ทิศก็ถามมานอบว่าก่อนที่เธอจะไหว้ทิศนั้นเธอทำอย่างไรมานอบก็ว่าก่อนที่จะไปไหว้ทิศ ต, ต้องชําระตนเองให้สะอาดก่อน วิธีการชำระตนเองให้สะอาดก็คืออาบน้ําอาบถ่ายสะอาดก่อนเวีเสร็จแล้วก็ต่อมาก็ตื่นแต่เช้านี่แหละไปอาบน้ำแล้วก็ไปไหว้ทิศเหนือใต้ทิศใต้ตะวันออกตะวันตกทิศเบื้องต่ำทิศเบื้องสูงก็ทํางนี้ทุกวันตามคําสั่งคุณพ่อทำอย่างนี้เราจะเป็นมงคลพระเจ้าก็บอกว่าในอารยวินัยของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันพุทธบริษัท4คือบาโสดแบาสิกาก็าทำการไหว้ทิศเหมือนกันวิธีการไหว้ทิศก็คือหนึ่งคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์2อไม่ลักทรัพย์ สมไม่พูดผิดในกรรมสี่ไม่พูดเทศเป็นนะต้นเนี่ยกรร ม, มกิเลสเนี่ยแล้วก็ไม่อคติหนึ่งไม่มีฉันทาคติลำเอียงเพราะรักไม่มีโทษาคติลำเอียงเพราะกลัวไม่มีโมหาคติลำเอียงเพราะหลงสี่ก็คือไม่มีพยาคติลำเอียงเพราะกลัวนี่นะไม่ลำเอียงเพราะรักเพราะโกรธเพราะหลงแล้วก็เพราะกลัวแล้วต่อมาก็คือรู้จักเลือกคบคนรู้จักเลือกคบคนแล้วเช่นว่า ทำตนเองให้สะอาดสะ อ, าอ้านยังไงหลังจากตนเองสะอาดสะอา้านกายกรรมก็สะอาดวิจีกรรมก็สะอาดมนโนกรรมก็ไม่มีอคติแล้วมนโนกรรมคือด้านจิตใจก็สะอาดแล้วแล้วก็จะต้องมีฌานฉลาดด้วยมีปัญญาในการที่จะรู้ว่าเนี่ยไม่เที่ยวกลางคืนไม่เที่ยวการละเล่นไม่ดูการละเล่นไม่เล่นการพ น, นันไม่คบคนชั่วเป็นมิตรไม่เกียรติค้านทําการงานเป็นต้นเห็นไหมนี่วางแบบแผนของชีวิตของตนเองแบบนี้ เมื่อชําระกายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดแล้วไม่มีอคติแล้วแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดในการแยกแยะระหว่างผิดและถูกเป็นต้นได้แล้วแล้วก็สามารถทําตนให้เหมาะสมตรงไหนควรไปตรงไหนไม่ควรไปแล้วเนี่ยเอา้าตอนนี้เดินก็สู่การไหว้ทิศไดว้วิธีการเดินก็สู่การไหวทิศก็คือว่าหนึ่งก็คือว่าให้รู้จักพ่อแม่พ่อแม่เนี่ยมารดาบิดานี่เป็นทิศเบื้องหน้า ทำไมมาดาบิดาจึงเป็นทิศเบื้องหน้ารู้ไหมทำไมจึงเป็นทิศเบื้องหน้าเพรามาก่อนไงฉะนั้นบุบนตรผลย่ามิตรก็ควรจะปฏิบัติต่อพ่อแม่ท่านเลี้ยงเรามาเลี้ยงท่านตอบทํากิจของท่านดํารงวงตระกูลทําตนให้เหมาะสมแก่การได้รับทรบบัพย์มรรคเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศให้วันนี้วันแม่ต้องเข้าใจใช่ไหมอย่างเงี้ยหลักการตรงเนี้ต้องเข้าใจแต่อย่าลืมว่านี่เป็นหลักการเป็นวิธีการ แล้วก็ทิศเบื้องขวาก็ครูา อ, คอาจารย์สิทธ์พึงปฏิบัติต่อครูอาจารย์อย่างไรทิศเบื้องหลังก็คือบุตรภรรยาสามีเป็นต้นควรปฏิบัติต่อบุตรยังไงปฏิบัติต่อภรรยาเป็นต้นอย่างไรปฏิบัติต่อญาติมิตรอื่นๆอย่างไรประการต่อมาก็คือมิตรทิศเบื้องซ้ายก็คือมิตรควรจะปฏิบัติต่อมิตรอย่างไรและประการต่อมาก็คือทิศเบื้องต่ําก็คือาธาตกรรมกรทั้งหลาย หรืลูกน้องทั้งหลายเนี่ยในฐานะเป็นนายจ้างควรปฏิบัติต่อต่อลูกน้องอย่างไรและลูกน้องควรปฏิบัติต่อนายจ้างอย่างไรและทิศเบื้องบนก็คือสมณะพราหมณ์คือนักบวชในฐานะเป็นอุบาสบากไสยาภิรุณปฏิบัติต่อทิศเหล่านี้อย่างไรลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็ เ, เรียกว่าจารีตจริตตะจาริตตะนี่คืออะไรคือการบําเพ็ญสิกขาบทการปฏิบัติตามข้อฝึกนะสิกขาบทแปลว่าข้อฝึก ข้อฝึกก็คือว่าการปฏิบัติฝึกตนเองตามที่พระพุทธเจ้าทรงบอกไว้สิ่งที่ควรทําน่ยชื่อว่าจาริตจริตตาเนี่ยบุคคลประพฤติในศีลซึ่งเป็นไปด้วยความเป็นผู้ทําให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายเนี่ยนี่ก็เรียกว่าจาริตตาถามว่าจารีตเนี่ยที่เราพึงปฏิบัติต่อพ่อแม่ปฏิบัติต่อครัวอาจารย์ปฏิบัติต่อบุตรภรรยาสามีปฏิบัติต่อเพื่อน ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติต่อพระพุทธเจ้าสาวกพุทธเจ้าเนี่ยจริตะตรงนี้ต้องมีอะไรเป็นตัวขับเคลื่อนรู้ไหมต้องมีศรัทธาคือความเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรายเป็นต้นเป็นตัวขับเคลื่อนและก็ต้องมีความเพียรต้องมีความเพียรที่เป็นไปกับความบริสุทธ ตรงนี้นี่แหละว่าชีวิตที่เราจะสามารถเดินเข้าสู่กุศลศีลกุศลสมาธิและปัญญาเป็นต้นได้อย่างถูกต้องแปลว่าชีวิตพื้นฐานต้องดีไหมเนี่ยชีวิตพื้นฐานการที่เราจะเกี่ยวข้องกับบุคคลแวดล้อมข้างๆเนี่ยแปลว่าเราจะต้องเกี่ยวข้องด้วยการได้บุญหรือได้บาปได้บุญฉะนั้นการที่เราจะได้บุญกับสิ่งรอบข้างได้เนี่ยแปลว่าเราจะต้องมีศรัทธาหรือไม่มี มีศรัทธากับอะไรก็มีศรัทธาในคุณของพระราตรายัยแล้วก็จะต้องมีความเพียรในการที่จะยังกระแสะชีวิตของตอนเองนั้นน่ะให้มีการขยันหมั่นเพียรในการประพฤติปฏิบัติในกิจกรรมและปร ะ, ประเพณีหรือวัฒนธรรมนั้นๆให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นไปอย่างดีงามเป็นไปตามจารีตนั้นๆแต่ไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อถูกบังคับนะถูกขู่เข็นใดๆนะแต่จะเป็นการปฏิบัติด้วยใจที่เป็นไปกับกุศล ยอมเวลายอมอยู่ที่บ้านเนี่ยหรือยอมอยู่หน้าที่ตรงนี้เวลายอมปฏิบัติหน้าที่จิตของยอมดีไหมดีหรือไม่ดีจิตสบายไหมในขณะที่ยอมอยู่ที่บ้านเนี่ยยอมจะทำอาหารให้กับคุณพ่อคุณแม่ทำอาหารให้กับสามีทำอาหารให้กับบุตรให้ภรรยาทั้งหลายเป็นเต้นเหล่านี้เวลาทำเนี่ยยอมคิดยังไงยอมคิดมันเป็นทานกุศลหรือไม่เป็น เป็นหรือไม่เป็นคิดว่ายอมได้ให้ทานไหมได้คิดอย่างนั้นจริงไหมมีเจตจํานงมีเจตนามีความจงใจในการที่จะให้ไหมคิดอย่างนั้นไหมนั้นถ้าหากมีเจตนาเจตจํานงว่าเออเป็นบุญนะเนี่ยเราได้มนติีการได้ใส่ใจได้ทําทานนกุศลอย่างกระแสชีวิตของตนเองมีจิตที่คิดจะให้จิตที่คิดจะสละจิตที่คิดจะแบ่งปัน มีความเชื่อมั่นในการที่จะให้มีความเพียรในการที่จะทํากิจทําหน้าที่เหล่านี้ในการที่จะให้ถามว่าในขณะที่เราให้ไปเนี่ยก่อนให้ดีใจไหมขณะให้มันก็เรื่อมสายให้แล้วมันก็ปลื้มใจไหมล่ะในขณะที่เราได้ทําหน้าที่ตรงนั้นถ้าทําอย่างนี้แปลว่าเราจะยังกุศลให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตแล้วมันจะไปเชื่อมโยงกับการที่เราคุยกันมาในเรื่องของพรหมวิหารเนี่ย ว่าเราจะให้ด้วยเมตตาอย่างไงให้ด้วยกระรุณายัางไรถ้าหากว่าพ่อแม่เจ็บป่วยเป็นต้นแล้วก็ให้ด้วยมุทิตาอย่างไรว่าตอนนี้สุขภาพท่านดีขึ้นเป็นต้นที่จะยังพากระแสชีวิตของท่านให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างไรเป็นต้นส่งเสริมสนับสนุนเกื้อนหนุนเอาเวลาเราอยู่ที่บ้านเนี่ยเราเราคิดแบบนี้ไหมคิดหรือไม่คิดยอมคิดไหม ไม่คิดเลยใช่ไหมถามว่าการกระทาทั้งหมดเหล่านี้ที่เป็นไปกระทานเป็นไปกัะศีเหล่านี้มันจะเกื้อนหนุนต่อภาวนาที่เรามาเจริญไหมคือการเจริญอาณาบารณาสติสมาธิเป็นต้นเกื้อหรือไม่เกื้ออย่าลืมนะเรากลับไปที่บ้านเราอยู่กันในชีวิตจริงเนี่ยเราต้องไปทาอะไรต้องไปกวาดบ้านไหมต้องไปทำงานบ้านไหม ต้องไปเกี่ยวข้องกับพ่อแม่ปู่ตายายาญาติมิตเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องเราจะเกี่ยวข้องด้วยจิตที่เป็นกุศลหรืออกุศลถามว่าเรารู้ไหมว่าที่เราไปเกี่ยวข้องนะั้นเรากำลังได้มีโอกาสในการเดินทานกุศลอย่างไงศีลกุศลอย่างไงเราคิดแบบนี้ไหมตรงเนี้ยขอให้เราทั้งหลายนะตรงทาความเข้าใจให้ชัดว่าเราจะเดินกุศลอย่างไร เอาละเวลาเรามานั่งกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกแปลว่าเราต้องมีสติไหมไอตอนนั้นต้องยังกุศลให้เกิดขึ้นใช่ไหมแต่อยู่เลยเนี่ยถ้าไม่มีฐานของตัวกุศลศีลเลยเนี่ยไอตัวสมาธิจะตั้งมั่นขึ้นได้ไหม พระพุทธเจ้าบอกว่าสีเลปฏิษาย ا นโรสปัญโยจิตตังปัญญจ่าาวยังอาตาปีนิปโกพิคุโสอิมังวิชตเยชะตันติบอกนรชนผู้มีปัญญาตั้งมั่นแล้วในศีลก็แปลว่าอะไรรู้ไหมหนึ่งจารีศีลและวาริตศีลเนี่ยพุทธบริษรัทต้องเข้าใจให้ชัดถ้ากระแสชีวิตไม่ตั้งมั่นอยู่ในกุศลศีลแล้วเนี่ยกระแสชีวิตนั้นจะไม่สามารถเดินขึ้นสู่สมาธิได้เลยเข้าใจยัง จะผิดหวังแต่กุศลศีลไม่ใช่มาแค่สมาทานในเจดวันนี้เท่านั้นแต่กุศลศีลต้องมีประจําอยู่ในชีวิตจริงๆหรือไม่มีต้องมีอยู่ในชีวิตจริงทีนี้ถามว่ากุศลศีลเขากํากับเขาควบคุมอะไรอยู่ศีลกํากับควบคุมอะไรศีลกํากับควบคุมกายควบคุมวาจาควบคุมพฤติกรรม ทีนี้การควบคุมกายควบคุมวาจาควบคุมพฤติกรรม น, ะนั้นเน่ยตัวกุศลศีลให้สังเกตดูนะเมื <ME> ่อสักครู่เนี่ยพูดถึงว่ากุศลจะต้องเกิดขึ้นจริงในขณะที่เรา ป, ปฏิบัติหน้าที่เราเป็นลูกเวลาปฏิบัติหน้าที่ต่อแม่ต่อพ่อเนี่ยตอนนั้นเน่ยเป็นศีลไหมเราคิดเป็นศีลหรือไม่เป็นหนึ่งเราทําตามหน้าที่กับสองทำแล้วมันได้กุศลศีลมันต่างกัน ทำตามหน้าที่เขาเรียกทำตามตามกติกาทําระเบียบตามแบบแผนต า, ตามวัดพัฒนธรรมตามประเพณีแต่ตอนนั้นเน่ยบางคนทําแล้วจิตมันไม่เป็นกุศลอย่างที่มายกตัวอย่างว่าคนขับรถบนท้องถนนถูกกฎจราจรแต่คนขับนั้นเป็นคนเครียดวิตกกังวลเขาเห็นไหมเรานั่งรถเราขับรถไปเนี่ยขับได้ถูกต้องเลยไม่แซงด้วยไม่ฝ่าไฟแดงด้วย ขับได้ถูกต้องด้วยแต่คนขับมันเป็นทุกข์เป็นทุกข์ใจมากเดือดร้อนมากเคยเรียนไหมกรณีอย่างเนี้ยกุศลมันไม่เกิดนี่ก็เหมือนกันหลายๆคนไปทําหน้าที่เป็นลูกไปทําหน้าที่ในฐานะเป็นลูกแต่ทําไปก็หงุดหงิดไปทุกข์ใจไปวิตกกังวลไปบ่นไปตําหนิแม่ไปตําหนิพ่อไปบางทีก็ตําหนิครูอาจารย์ไปไปอยู่กับครูอาจารย์ไปอยู่กับเพื่อนก็ตําหนิเพื่อน เป็นครูก็ตำหนิลูกศิษย์เป็นพ่อแม่ก็ตำหนิลูกก็เลยไม่ได้กุศลกันเลยไม่ได้กุศลศีนกันเลยนะนะทั้งพ่อและแม่สามีภรรยาอยู่ด้วยกันก็กระทบกระทั่งกันเบียดเบียนกันอยู่ตลอดเวลาไม่สมัครสมานกันและเพราะว่าไม่ต่างฝ่ายต่างก็ได้ทําแต่แค่หน้าที่แต่คุณภาพจิตนั้นมันไม่เป็นไปกับกุศลศีนอาอยุต่อมาเราเราอยู่จากจิตที่วุ่นวายอย่างนั้นเนี่ยเราวุ่นวายมากแล้วเบื่อมากที่บ้านเนี่ย อยากนั้นเลยเราเข้าห้องพระดีกว่าในะอย่าลืมนะว่าคนคนั้นแหละต่อมานี่แหละมาเข้าห้องพระพอเข้าห้องพระมานั่งสวดมนต์โอ้ใจสบายขึ้นหน่อยถามว่าคิดว่าคนคนนี้จะเจริญสมาธิได้ไหมเจริญปัญญาได้ไหมได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ไดไไดเพราะอะไรฐานคือกุศลศีลทั้งจารีตทั้งวารีผิดพลาดไหมมันผิดพลาด เพราะทั้งหมดเหล่านี้คือการเดินกุศลศีลไม่ได้สอดคล้องเพื่อจะเป็นปัจจัยเกื้อนหนุนต่อการหนุนเนื่องให้เกิดสมาธิและปัญญานี่คือปัญหานี่คือปัญหาพวกเราที่นั่งกันอยู่นี่แหละอย่าแปลกใจว่าเราเนี่ยเดียททยดเด๋ยวก็ต้องมาปฏิบัติที่ย่พูธเดี๋ยวก็ต้องมาปฏิบัติที่ย่พูธกันอยู่อย่างนี้แหละพอมาปฏิบัติหน่อยเนี่ยรู้สึกว่าทําท่าจะดีหน่อยแต่พอกลับไปที่บ้าน ก็ไปเจอสังคมเก่าๆสิ่งแวดล้อมเก่าๆสถานภาพเก่าๆเราก็ไปนั่งทำให้บาปเกิดอยู่นั่นแหละด้วยส่วนใหญ่อะใช่ไหมกดูอย่างนี้วิธีดูหนึ่งไอ้กรณีที่ว่าเราท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบใช่ไหมทำกิจของท่านดารงวงตระกูลเนี่ยเลี้ยงท่านตอบก็คือว่าหาข้าวให้ท่าน ในขณะที่หาข้าวให้ท่านดูแลท่านประคบประงมท่านตอนนั้นน่ะคุณภาพจิตของเราเนี่ยเรานึกถึงอะไรเรามีศรัทธาไหมเรามีความเพียรที่จะทำใช่ไหมกรณีอย่างเนี้ยศรัทธาก็ดีมีความเพียรก็ดีที่จะทําปฏิบัติหน้าที่นั้นเพื่ออะไรเพื่อเป็นปัจจัยเกื้อกูลต่อการได้มาซึ่งกุศลที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปเราต้องมีเป้าหมายด้วยนะ ไม่ใช่ทำว่าเพราะเรารักคนนี้เราจึงทํามันต้องมีทำแบบมีเป้าหมายว่าเราเนี่ยจะเจริญงอกงามในสมาธิและปัญญาเป็นต้นได้พื้นฐานของกุศลศีลทั้งจารีตตะวารีตเนี่ยทั้งศีลที่เป็นจารีตก็คือว่าบําเพ็ญศีกขาบทตามที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้ว่าสิ่งที่ควรทำเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ควรทํา สิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะต้องทําว่างั้นเธอจะต้องทําปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในฐานะเป็นพ่อในฐานะเป็นลูกในฐานะเป็นภรรยาในฐานะเป็นสามีในฐานะเป็นบุตรเนี่ยในฐานะเป็นเพื่อนปฏิบัติต่อเพื่อนในฐานะเป็นศิษย์ปฏิบัติต่ออาจารย์ในฐานะที่เป็นอาจารย์ปฏิบัติต่อศิษย์ในฐานะที่เป็นลูกน้องปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาในขณะที่ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติต่อลูกน้องในขณะที่เป็นพุทธบริษัทจักพึงปฏิบัติต่อ สาวกของ พ, พระพุทธเจ้าอันนี้ก็เรียกว่าเป็นหน้าที่หรือเป็นจารีตเป็นจารีตเป็นข้อที่ควรทำแต่คาว่าข้อที่ควรทำเนี่ยทำเพราะอะไรทำเพราะอะไรทำเพราะว่านี้แหละจะเป็นข้อฝึกกายนะฝึกกายฝึกพฤติกรรมคือกา ย, ยกรรมและ ว, วิจิกรรมฝึกกายวาจาของตงนเองให้สะอาด ให้พองแพ้วจากบาปเราต้องฝึกกายของเราเนี่ยให้สะอาดคือกายไม่ฆ่าไม่รักไม่ประพฤติผิดในการมเป็นต้นแล้วไม่พอนีก็ฝึกกายของตัวเองให้เป็นไปกับกุศลอาศัยการเคลื่อนไหวกระระชกายที่ไปปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะกับบรรดาทิศ ท, ทั้งหลายเหล่าเนี้เชื่อมโยงกับทิศ ท, ทั้งหลายเนี่ยให้ได้กุศลเพื่อจะเป็นปัจจัยเกื้อนหนุนต่อการได้มาซึ่งหนึ่งจริตะก็คือ ข้อที่พึงกะระทำนที่พึงกะระทำสองเข้าสู่วาลิตตะก็คือศีลคือมีศีลห้าศีล8ปดศีลสิบว่าไปเนี่ยมันจะได้เชื่อมโยงกันถามว่าทั้งหมเนี่ยที่ทำเนี่ยคุณภาพที่ดีที่สุดก็คือตอนนั้นหนึ่งตอนนั้นจิตไม่มีโทษเกิดขึ้นของเสียในจิตนั้นถูกชำระมากขึ้นใช่ไหมของเสียจิตก็เริ่มสะอาดเย่ยมอ่องพองแผ้ว แล้วก็จิตไม่มีโรคคุณภาพจิตก็เป็นไปกับความศรัทธาเป็นไปกับความเพียรเป็นไปกับสติเป็นไปกับสมาธิและปัญญาก็เข้าใจในเรื่องหน้าที่ที่พึงจะกระทำนั้นถามว่าที่ทำตรงนี้แปลว่าอะไรแปลว่าไม่ใช่ทำเพื่อให้งานนั้นเสร็จเสร็จ<ๆ>็จร็จไปนะแต่ทำเพื่ออะไรยังกายของตนเองให้สะอาดฟ่องผ้า ว, วาจางตนเองให้สะอาดฟองผ้ว เพื่อเป้าหมายแห่งการเข้าสู่สมาธิและปัญญาที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปเราคิดแบบนี้ไหมถ้าคิดอย่างนี้เนี่ยแปลว่าเป็นการฝึกขัดขัดกลาวตนเองเพื่อการประพฤติปฏิบัติจริงๆใช่ไหมยวฟังยากไหมยากไหมยากยากไหมงั้นตรงนี้นี่แหละว่า เรามาอยู่ณนะสถานที่ตรงนี้กันเราเราได้ทําจารีตต่อกันไหมได้ทํำไหมอย่างนี้ที่มาอยู่ด้วยกันทั้งหมดนี่แปลว่าอะไรนี่แปลว่าเป็นเพื่อนต่อเพื่อนใช่ไหมอย่างนี้ถือว่าเรามาอยู่กับเพื่อนใช่ไหมเราควรปฏิบัติต่อเพื่อนยังไง <oui. S 1> ควรปฏิบัติยังไงต่อเพื่อนควรปฏิบัติยังไงต่อเพื่อ น, น, ต, ต, ออนต่อมิตร เราเผื่อแผ่เบื้องแบ่งปันไหมมีของอะไรเผื่อแผ่แบ่งปันไหมมีอาหารเผื่อแผ่แบ่งปันกันไหมเผื่อหรือไม่เผื่อเลือกใครอยู่ใครอยู่มันเลยเอาแบ่งปันที่อยู่อาศัยกันแบ่งปันของใช้กันแบ่งปันของเครื่องนุ่งห่มแบ่งปันยากันแล้วเราคิดเผื่อแผ่แบ่งปันนี่ไหมทำหรือไม่ทำทำไหม ถ้าไม่มีข้อตรงนี้อย่าลืมนะว่าตัวกุศลศีลที่เกิดขึ้นที่จะชําระกายชําระวาจาของเราเนี่ยมันมันจะไม่ค่อยเกื้อหนุนต่อการฝึกสมาธิเท่าไหร่นะอา่าถ้าเราเผื่อแผ่แบ่งกันเนี่ยเช่นอยู่กับเพื่อนเนี่ยหนึ่งมีการให้ให้ด้วยเมตตาเอาเพื่อนเป็นทุกข์ก็ให้ด้วยกรุณาเอาเพื่อนประสบความ ประพฤติปฏิบัติเป็นไปได้ดีก็เกื้อหนุนสนับสนุนส่งเสริมแล้วเผื่อแผ่แบ่งปันไหมนี่ไงว่ากรณีอย่างนี้คือตัวศีลเห็นมันเชื่อมโยงไปกับทานกับศีลเนี่ยมันเป็นเนื้อเดียวกันนั่นแหละแต่ที่ทําทั้งหมดเนี่ยเป้าหมายก็คือเพื่อจะต้องการที่จะทําให้ตนเองเนี่ยพัฒนาสู่สมาธิและปัญญาได้อย่างรวดเร็วนั่นเองแล้วก็พูดจาที่มีน้าใจพูดด้วยเมตตาอย่างไงพูดด้วยกรุณายัางไงพูดได้ มุทิตาไงเป็นต้นช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกันเราได้ประพฤติประโยชน์ให้กันไหมประพฤติประโยชน์ได้เมตต า, ตายังไงขนขวายประโยชน์ได้เมตตาขนขวายประโยชน์ด้วยกรุณาขนขวายประโยชน์ด้วยมุทิตาแล้วก็ความเป็นผู้มีตนเสมอมีตนเสมอก็คือสุขด้วยการทุกข์ด้วยกันร่วมสุขร่วมทุกข์กันก็เรียกมีตนเสมอเอาตนเองเข้าไปเสมอสมานกันร่วมสุขร่วมทุกข์กัน และประการต่อมาคือมีความซื่อสัตย์และจริงใจคุณธรรมเหล่านี้เป็นคุณธรรมชั้นศีลตรงนี้นี่แหละจะเป็นตัวปัเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการที่จะยังกุศลลศีลควบคุมกายกรรมเมื่อกายสะอาดวาจาสะอาดจิตพลอยสะอาดไหมจิตก็สะอาดด้วยไอตัวจิตสะอาดนี่แหละคุณภาพจิตก็จะดีอาศัยคุณภาพจิตนี้ดีนี่แหละเวลามากําหนดหรือมาเจริญภาวนาทั้งหลายจะขึ้นได้เร็วหรือไม่เร็ว และจะตกก็ไม่ตกเพราะว่ามันมีตัวคำ้ำท่านอุปมาก็คือตัวกุศลศีลทั้งหลายที่พูดกันเนี่ยเป็นเหมือนกันกันกบเสาเข็มเนี่ยอาคารเนี่ยจะขึ้นมาได้เนี่ยต้องอาศัยอะไรอาศัยเสาเข็มต้องวางรากฐานดีไหมถ้าวางรากฐานไม่ดีเนี่ยตึกหลังนี้ต้องซุดแน่นอนสร้างมาตั้งยี่สิบสาปีเนี่ยนี่ก็เหมือนกันว่า ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาโดยเฉพาะสติความเพียรสมาธิที่เป็นกลุ่มสมาธิสิกขาเนี่ยและปัญญาทั้งหลายเหล่านี้จะไม่สุดทุกวันนี้เรามาเจริญกันเนี่ยาาโอ้โหบางทีน่าน่าชื่นใจนะวนเวลามาจเจริญกันบางทีสมาธิขึ้นปุ๊ดๆุดดดดด๊เลยเนี่ยแต่พอหยุดทำมันไม่มีอะไรครับ ไม่มีตัวกุศลศีลค้ำเขาไว้ไม่มีจาริตะไม่มีวาริตะไม่มีตัวกุศลศีลเนี่ยเป็นตัวค้ำพยุงสมาธิพยุงความเพียรพยุงสมาธิพยุงสติไว้เป็นไงสุดตกไปไหมตกอีกแล้วนี่ไงว่าทำไมการประพฤติปฏิบัติไม่ลดหน้าเพราะเสียอะไรตัวกุศลศีลทานกุศลศีลกุศลไม่เป็นตัวค้ำพยุงเริ่มเห็นนียางสาคัญหรือไม่สาคัญ ตรงนี้ก็คือว่าเห็นไหมว่าเมื่อนั้นเมื่อเมื่อเพื่อนประมาทช่วยรักษาป้องกันอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมเวลาเกิดยกตัวอย่างในสมัยในสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยที่ที่แฟนกูลูเนี่ยเวลาแม้แต่คนที่ไปตักน้ําที่ท่าน้ํานี่นะเวลาเขาเจอกันเขาจะถามว่านี่คุณ คนเดินทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลไหมเขาเจอกันก็จะถามแบบนี้นะถ้าบอกไม่เลยชีวิตตอนนี้ฉันอยู่ประมาทอยู่เนี้ยโอ้โหเขาจะพากันมากระตุ้นแล้วว่านี่นะคุณพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของเธอโดยแท้ทำไมเธอมีชีวิตจึงสักแต่ว่าหายใจทิ้งไปวันๆเท่านั้นเล่าว่างั้นเธอ พระบระมาศ า, าสดาบำเพ็ญพระบารมีมาก็เพื่อเราโดยแท้นี้เธอมีชีวิตอยู่เนี่ยประมาทแท้สักแต่ว่าหายใจทิ้งไปวันวันเท่านั้นฉะนั้นเธอจงมนานสิการแล้วก็ระดมความเพียรตนเองในการฝึกตนเองให้ตั้งมั่นในศีลทั้งจาริตะทั้งวาริตตะก็คือฝึกในชั้นพื้นฐานฝึกศีลในการที่จะปฏิบัติต่อคุณพ่อคุณแม่ให้เป็นศีล ถ้ามีลูกปฏิบัติต่อลูกให้เป็นกุศลศีลเกิดขึ้นจริงๆมีสามีมีภรรยาก็ปฏิบัติต่อสามีภรรยาทั้งหลายให้เป็นศีลจริงๆมีเพื่อนก็ดูอยู่กับเพื่อนก็ปฏิบัติต่อเพื่อนให้เป็นศีลแม้มีบุตรหลานญาติมิตรตลอดถึงลูกน้องกรรมกรทั้งหลายหรือเจ้านายทั้งหลายแม้ปฏิบัติต่อประสงค์ก็ให้ปฏิบัติเป็นให้เป็นไปกับกุศลศีลจริงๆเพื่อจะได้เป็นปัจจัยพื้นฐานต่อการได้มาซึ่งสมาธิและปัญญา เนี่ยเขาจะเตือนกันอย่างนี้นะอันนี้แปลว่าถ้าเพื่อนประมาทเขาจะพากันเข้าไประดมให้ข้อมูลแล้วก็กระตุ้นเตือนรักษาเพื่อนที่ประมาทแล้วยังไงเนี่ยเมื่อเพื่อนเนี่ยประมาทแล้วก็ช่วยรักษารักษาด้วยป้องกันด้วยคอยกระตุ้นเตือนด้วยในยามีภัยก็เป็นที่พึ่งให้กับเพื่อนเป็นต้นอย่างนี้ได้ด้วยเห็นไหมว่ากรณี่งการที่จะ กรต้นเตือนซึ่งกันและการเนี่ยเป้าหมายจริงๆก็คือเพื่อความเจริญงอกงามที่จะทําให้เดินเข้าสู่มรรคาของปริยาเจ้าเดินเข้าสู่แบบอย่างของสังคมของอารยชนที่พูดทั้งหมดเหล่านี้มันเป็นแบบอย่างของสังคมอารยานะแต่ถ้าเราจะไม่ทําตามนี้เราก็เป็นได้แค่อนาฬยะอนาฬยะก็อยู่กันแบบตัวใครตัวมันนะอยู่แบบตัวใครตัวมันไม่เกื้อหนุนซึ่งกันและกัรเนี่ยอยู่เหมือน อยู่ด้วยกันเหมือนคนไร้น้ำใจใช่ไหมฉะนั้นตรงนี้สรุปประเด็นก็คือว่าชีวิตเนี่ยมันจะต้องมีการเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกันมนุษเนี่ยอยู่คนเดียวได้ที่ไหนหลระแม้แต่เรามาอยู่กันนะที่นี้ให้สังเกตดูถ้าเราไม่มีตัวกุศลศีล ที่มีการปฏิสัมพันธ์กันอย่างถูกต้องเช่นก็คือว่ามิตรเนี่ยไม่ปฏิบัติต่อมิตรใช่ไหมเพราะเรามองทุกคนเป็นมิตรหมดเป็นเพื่อนหมดใช่ไหมได้หลักการก็คือมิตรเกิดเม็ดมิตรหรือเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายนี่แหละเขาเรียกมิตรมิตตานี่แหละเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายฉะนั้นกรณีการเราอยู่กับเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยการเผื่อแผ่แบ่งปันเนี่ยอันนี้ก็คือต้องทํา เพื่อแผ่แบ่งปันเนี่ยทำไมต้องทำเพราะการทำในข้อนี้เป็นการฝึกกายฝึกวาจาฝึกพฤติกรรมตนเองให้มีการเสียสละให้มีการให้มีการแบ่งปันไอตัวเนี่ยเรามีสิ่งของเหล่านี้เราสละเ้วแบ่งปันเราให้เนี่ยไอวัตถุเหล่านี้เราถูกสละไปก็จรงิงแต่คุณภาพของใจต่างหากที่พึงได้มันจะได้สองส่วนหนึ่งก็คือจิตที่คิดจะให้อันนี้เป็นนามธรรมสองวัตถุ ที่พึงจะให้เพื่อจะไปเกื้อหนุนไปแบ่งปันไปช่วยเหลือเกื้อหนุนซึ่งกันและกันนี่ให้อย่างนี้ก็ให้ได้กายประการต่อมาก็มีการพูดจาบอกเน่ทคุณนะหรือนี่เพื่อนนะเนี่ยเออฉันมีสิ่งของนี้ฉันให้เพื่อนนะเพื่อนจงเอาอาหารนี้เอาเสื้อผ้านี้เอาเครื่องนุ่งห่มนี้เอายานี้ไปบริโภคนะแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเพื่อนอย่างไรแต่ที่ คิดจะสละคิดจะให้เหมนว่าหนึ่งทานกุศลสองเป็นไปกับศีลเพราะตอนนั้นนะควบคุมอะไรกายก็ไม่เกลื่อนกล่นไม่กระจัดกระจายวาจาก็ไม่เกลื่อนกลนไม่กระจัดกระจายพูดด้วยความรากักด้วยความปรารถนาดีด้วยความเ อ, อื้อทอนสภาพจิตใจก็ไม่มีโรคจิตก็ไม่มีโรคจิตไม่อ่อนแอจิตก็แข็งแรงจิตก็คล่องแคล่วจิตก็ตั้งมั่นจิตก็ไม่มีของเสีย เพราะของเสียถูกทำลายไปตอนนั้นจิตก็เป็นไปกับความสุขจิตก็เป็นไปกับยานปัญญาพอรู้เข้าใจกรรมและผลของกรรมฉะนั้นเมื่อเราได้ฝึกทำอย่างนี้อย่างต่อเนื่องทั้งกายกรรมทั้งวจีกรรมเห็นไหมว่าหนึ่งได้มีการฝึกหัดพฤติกรรมตัวเองอย่างต่อเนื่องเลยคุณภาพคือพฤติกรรมของเราเนี่ยได้ถูกฝึกหัดในการให้ในการสละในการแบ่งปันอย่างต่อเนื่องสอง ทั้งด้านจิตใจคุณภาพจิตก็จะดีขึ้นตอนนั้นน่ะศรัทธาก็จะเริ่มตั้งมั่นขึ้นความเพียรก็จะเริ่มดีขึ้นสติก็ดีขึ้นสมาธิก็ดีขึ้นความอดทนอดกลั้นในการอยู่ร่วมกันในการปฏิบัติด้วงกันก็ดีขึ้นกำลังของกุศลศีลดีขึ้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือปัญญาฉลาดในเรื่องของการในเรื่องของเหตุและผลกรรมและผลของกรรมตอนนี้กาลังผูก กำลังจะปลูกเม็ดของกุศลเจตนากรรมลงในกระแสชีวิตของตนเองเมื่อต้นของกุศลเจตนากรรมนี่ปลูกเข้าไปแล้วทั้งทานกุศลที่จะเรียกว่าให้ก็เป็นทานทั้งศีลกุศลควบคุมกายกรรมวิจีกรรมและทําหน้าทิ้งตนเองอย่างถูกต้องแล้วคุณภาพจิตจะเริ่มมีพลังขึ้นนะกุละศลศีลมีพลังขึ้นก็เป็นภาชนะเป็นฐานรองรับอะไรความเพียรรองรับสติ โดยเฉพาะสมาธิในการที่จะเดินขึ้นสู่กรรมฐานทุกกรรมฐานและในสุนจริงจะเป็นฐานต่อการเดินยานปัญญาที่ไปรู้โลกและชีวิตตามที่มันเป็นเข้าใจยังยังไม่เขา้าใจอีกยอมว่าการให้เนี่ยใจมันอ่อนโยนไหมเออถ้าไม่ให้ในใจแข็งกระด้างไหมล่ะนั่นแหละถ้าเราปฏิบัติหน้าที่เรากราบคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจิตอ่อนโยนไหม ใช่ไหมถ้าพูดจะเป็นไปกับเมตตาปลักปรารถนาดีคุณพ่อคุณแม่จิตอ่อนโยนไหมถ้าด่าพ่อด่าแม่จิตแข็งกระด้างไหมเออนี่นแหละเห็นไหมว่าหลักการก็คือว่ามันจะต้องฝึกจริงๆแต่ไม่ใช่เป็นนั่งโอ้กูรู้แล้ว ข, ขออภัยนะฉันรู้แล้วทำดมไม่ทําอ่ะฉันมานั่งเนี่ยฉันจะมาปฏิบัติของฉันน้ใครอย่ามายุ่งในชีวิตของฉันได้ไหมใครอย่ายุ่งได้ไหมคิดว่าจะไปได้ไหม ได้ไหมใครอย่ายุ่งฉันนะตอนนี้ฉันต้องการอยู่คนเดียวของฉันเนี่ยได้ไหมอ้าวไม่ด้วยหลักการมันต้องมันต้องเกี่ยวข้องกันไหมอ้าวจะเข้าห้องน้าเนี่ยบางทีห้องน้ำมันจะเต็มเออห้องน้ำมันก็มีแค่สองห้องสามห้องสมมุตินะเข้าไปเนี่ยเห็นไหมมันต้องปฏิบัติร่วมกันไหมเอาฉันเข้าไปในห้องน้ำจริง่ยฉันถ่ายแล้วขอไฟนะฉันไม่ล้างก็ได้ เดี๋ยวคนอื่นมาก็ามีมือเขากดล้างเองถต่ว่าไอ้คุณภาพจิตยอย่างเงี้ยมันเป็นคุณภาพจิตที่ฝึกมือไม่ฝึกไม่ได้ฝึกหรอกไอ้ใจที่แข็งกระด้างอย่างเงี้คิดว่าคุณจะฝึกสมาธิปัญญาได้ไหมมันหมดสิทธิ์เลยนะไม่ได้หรอกนี้นี่ไงคือการการกระโดดเขา้าใจยังว่าชีวิตของเราเนี่ยได้มากเรากระโดด ที่จริงเราไม่เราไม่ค่อยดูทางทางโลกเขาก็ทําดีนะยอมเรียนยอมจะขึ้นอุดมมาศึกษาขึ้นมัธยมเนี่ยยอมต้องผ่านอะไรมาก่อนเนี่ยปถมเนี่ยเป็นฐานไหมเป็นฐานของมัธยมไหมอนุบาลเป็นฐานของปฐมไหมมัธยมเป็นฐานของมหาวิทยาลัยไหมนี่อันเดียวกันนี่แหละ อันนี้เหมือนกันเนี่ยสมาธิมันอยู่ระดับไหนเนี่ยระดับที่เท่าไหร่อา้านะทานทานนะศีล ส, สมถะปัญญาอย่างเงี้ยนะเอาถ้าจะไล่ให้เยอะๆเลยนะทานหรือศีลเนี่ยศีลเป็นปัจจัยแก่ความไม่เดือดร้อนใจความไม่เดือดร้อนใจเป็นปัจจัยแก่ปลาโมด อิ่มใจเล็กน้อยมีความอิ่มใจเล็กน้อยเป็นปัจจัยแก่ปีติคือจิตที่พองขึ้นปีติเป็นปัจจัยแก่สงบความสงบเป็นปัจจัยแกสส่สุขสมนานัทสุขสมนานัทจึงจะเป็นปัจจัยต่อสมาธิเยอะยเยอะไหเยอะไหมเนี่ยกว่าจะถึงสมาธิเนี่ยแล้วทุกวันนี้เราเคยสมนานัทกับข้อปฏิบัติทเราเรียงไหมเคยไห ชื่อตื่นเต้นมากเลยเราเกิดขึ้นมาทั้งในชีวิตเนี่ยเรามีข้อปฏิบัติกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติมิตรเนี่ยไม่มีข้อขาดตกบกพร่องเลยคิดแล้วมันขนลุกขนพองไหมไม่เห็นขนพองกันทุกคนเลยเนี่ยมีขนขนรี่หลบในหมดเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมใช่เ <laughs> <laughs> พราะเราไม่ได้ปฏิบัติชั้นศีลไงย่ม นี่คือปัญหาว่าทำไมจึงเดินสมาธิและปัญญามันไม่ขึ้นพระบอกว่ามาท่านอาจารย์ถามมาฉันสี่วันมาแล้วเนี่ยฉันไม่เห็นลมกระทบเลยเออมันเรื่องปกตินี่แหละใช่ไหมที่ไม่เห็นเพราะกุศลแิะศีลมันไม่ค่อยเกิดเลยไม่เกิดเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ไปปฏิบัติ ทิฏบางครั้งมันต้องปฏิบัติไหมเอาเลยมันต้องปฏิบัติกันจริงๆเลยนะเนี่ยมันจะต้องมีกิจกรรมอะไรรู้ไหมหนึ่งกิจกรรมจัดเลยเอาคนนี้คุณเป็นพ่อนาะเอาคนนี้เป็นแม่คนนี้เป็นภรรยาคนนี้เป็นลูกคนนี้เป็นบุตรเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นพระเนี่นะเอาปฏิบัติกันจริงๆอย่างนี้เลยเนี่ยปฏิบัติกันเอาเดินตามเอาให้ไ ด, ใได้ให้ได้ทานกุศลให้ได้ศีลกุศลต้องมาจัดกันอย่างนี้จริงๆเลยนะ เา้ทาทำไมปฏิบัติเอาไม่เลียวตีก้นก็ทุงไปให้ปฏิบัติอย่างเงี้ยได้ถ้างั้นไม่ได้หรอกฮะก็นี่งไงให้พวกเราทำกันเองเงี้ยก็ไม่อยู่ก็กมีเพื่อนมีมีสิ่งแวดล้อมแล้วอย่างเงเนี่ยใช่ไหมถ้าไม่ทำอย่างเงี้ยมันจะมันจะทำเป็นไหมให้เป็นอีกแต่ที่จริงพวกเราทำกันอยู่ตลอดเวลาไหมอ๋อเราไปอยู่กับคุณพ่ อ, ค, พอคุณแม่ต้องทำไหมแต่โดยมากมันไม่เป็นสีน มันเป็นแค่รูปแบบแค่ประเพณนี้ใช่ไหมอ้าวเราจะหุงข้าวให้แม่แม่มากินข้าวซิแม่บอกว่าไม่หิวเนี่ยอุตส่าห์หุงแทบตายทำไมไม่มากิน <c oughs> อตอนนั้นศีลเกิดหรือยังอะไรเกิดเกิโทสะเกิดไอจิตแบบนี้ใช่ไหมที่จะไม่จิตคู่ควรต่อการจะมาฝึกสมาธิและปัญญาใช่หรือไม่ใช่ ใช่ไหมก็ไม่ใช่อีกเอาต่อไปไปทำไงดีหุงข้าวให้ลูกแล้วลูกไม่ยอมลุกขึ้นมากินเนี่ยนับหนึ่งถึงสามถ้าไม่ลูกแม่จะตีเดี๋ยนี่นะเนี่ยโกรธแล้วตอนนั้นหน้าดำตาแดงตาถลนหายใจฟึดฟัดฟืดฟัฟดเท้าเริ่มกระทืบแล้วไอ้ถามว่าตอนนั้นเป็นศีลข้อไหนเป็นศีลข้อไหนไมันไม่เป็นไง นี่ไงว่าเราไม่ได้กุศลในชีวิตจริงพอไม่มีฐานของกุศลศีลเนี่ยเป็นภาชนะรองรับเป็นฐานรองรับพอขึ้นสู่การฝึกสมาธิมันจะเป็นสารวันเตี้ยลงไงเงี้ยมันก็เตี้ยลงเตี้ยลงเลยแต่เนี้ยเอ๊ะทำไมสมาธิมันหลบในอยู่เรื่อยเลยไม่ขึ้นมาเลยใช่ไหมเออตรงนี้ก็เอารู้จุดบอดมันตัเองหรือยังรู้หรือยัง ทุกคนเริ่มรู้หรือยังว่าตัวไหนเป็นจุดบอดรู้หรือยังหรือว่าฟังมาแล้วมันรู้สึกยังไม่รู้เว้ตนเองจะทํำยังไงเลยเนี่ยทําอาหารให้แม่ทํำยังไงถึงจะเป็นศีลถามว่าเวลาเราหุงข้าวทําอาหารเนี่ยเจตนาที่เราจะทําจริงจริงเนี่ย เราคิดยังไงท่านเลี้ยงเรามาเราก็คิดเลี้ยงท่านตอบใช่ไหมเออเราท่านเคยเลี้ยงเขาานเคยป้อนอาหารเรามาเบ็ยดเสร็จแล้วก็นึกถึงแล้วตอนนี้เราจะทําหน้าที่ในฐานะเป็นลูกที่พึงปฏิบัติต่อคุณแม่คุณพ่ อ, อกรณีที่จิตที่คิดกระตันยูรู้คุณนะ่ะแล้วปรารถนาที่จะตอบแทนคุณตรงเนี้ยมีศรัทธามไหมตอนนั้นนะคุณภาพจิตเราดีหรือไม่ดีหรือทําไปงหงุดหงิดไปว่าโอ้โห พี่น้องตั้งหลายคนไม่มาตกถึงกูว่าอน่นลกนะูกมีห้าไอเรื่องหุงขุว ง, งข้าวย้นให้กูทุกทีเขาไปนี่นะถามว่าอย่างนั้นจะเป็นศีลไหมก็ไม่เป็นไงเพราะเราไม่มีศรัทธาสองเราไม่มีความเพียรที่บริสุทธิ์พระจาเลศสีมันต้องมีศรัทธาเชื่อมั่น เชื่อมั่นอะไรเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรยัยเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรัยนะว่าเนี่ยไอตัวศรัทธาที่เกิดขึ้นที่จะปฏิบัติตามศีลข้อปฏิบัติที่ถูกต้องปฏิบัติบ่รลุงมารดาบิดาเนี่ยอันนี้เป็นสาระของเราเป็นสาระเป็นเครื่องกำจัดภยัย กุศลเหล่านี้เป็นเครื่องกําจัดภัยจะนำพากระแสชีวิตของเราเนี่ยพัฒนาสู่ศีลหลักและพัฒนาสู่สมาธิและปัญญาและเราจักสามารถเป็นปัจจัยเกื้อห น, นุนนำพากระแสชีวิตของเราเนี่ยรอดปลอดภัยจากภัยในอบายภูมิเป็นต้นได้ก็เพราะกุศลศีลเหล่านี้นแหละเชื่ออย่างนี้ไหมได้คิดแบบนี้ไหมล้วนี้ไงการขาดอะไรขาดข้อมูล ขาดหลักการเราก็ฝึกเราก็ไม่ได้ฝึกดีแต่เนี้ยเอาเมื่อกายเราไม่เรียบร้อยข้อปฏิไอจารีตหลักปฏิบัติของเรามันขาดตกบกพร่องอยู่ยอมคิดว่ายอมจะจะขึ้นสู่สมาธิและปัญญาอย่างไงในภาษาในในาศาสนาของพระชีนเจ้าไม่มีไม่มี ไม่มีทางรัฐพวดขึ้นไปข้างบนนะมันก็บันไดก็ต่ายขึ้นไปตามลำดับนี่เลยใช่ไหมงั้นตรงนี้ก็คือเนี่ยว่าทุกเรื่องมันเป็นเรื่องของการเดินสู่คำสอนของพระธัชญาทั้งนั้นเนี่ยตัวกุศลเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นได้จริงในชีวิตจริงต้องเกิดแล้เมื่อเราฝึกอย่างนี้เราก็ไปเจริญสมาธิไปด้วยเห็นไหมเอาเราทาวันนี้เราทาหน้าที่ได้ถูกต้องครบถ้วน เอาเวลาไปฝึกสมาธิเจริญปัญญาโอ้โหแต่เนี้ยคิดมาใจฉันว่าเมื่อเช้านี้เราได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่โอ้เราได้ให้ข้าวท่านให้น้ำท่านปฏิบัติเลี้ยงเลี้ยงเรามาเลี้ยงท่านตอบทากิจของท่านดำรงวงตระกูลทำตนให้เหมาะสม กับการได้รับทรัพย์มรดกเป็นต้นเหล่านี้โอ้เราได้ทําหน้าที่คิดไปเราปลื้มใจเออเราได้สมาทานศิกขาบท5ประการมีการงดเว้นจากการฆ่างดเว้นจากการลักงดเว้นจากการประพฤติผิดในการมงดเว้นจากการพูดเท็จ ส, ส่อเสียดคําหยาเพื่อเจอ้าไม่เดิมสุรามีอะไเป็นต้นโอ้เรายังได้ขัดกลาวว่าเราไม่กินอาหารในยามวิการด้วยโอ้เราได้สมาทานองค์อุโบสถศรีในการไม่นอนที่นอนที่นั่งและสูงใหญ่ด้วยและในขณะเดียวกันเราไม่ประดาประดาตกแต่งด้วย และเราก็ได้เจริญเมตตาไปให้กับพ่อแม่พี่น้องและสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นต้นด้วยโอ้โหพอมาเดินสมาธิมันจะขึ้นปื๊ดเตยพ่ออะไรมีแรงส่งมีแรงส่งเอ้ไม่ใช่แต่พ่อแม่เท่านั้นโอ้เรามีปู่ตายายายแล้วก็ดูแลด้วยแม้เราปฏิบัติต่อภรรยาได้อย่างดีด้วยเห็นไหมปฏิบัติต่อภรรยาเลยคือว่าให้ความเป็นใหญ่ให้เป็นต้นด้วยเห็นไหมไม่ดูหมิน่นไม่นอกใจ โอ้โหเนี่ยแล้วเพื่อนปฏิบัติได้ยังถูกต้องหมดเลยก็เป็นตัวกุศลศีลมันก็เกื้อหนุนเอ๋เวลาปฏิบัติต่อเพื่อนเราก็แม้คิดเผื่อแผ่แบ่งปันด้วยผู้จามีน้ําใจด้วยช่วยเหลือในยามเกื้อกูลซึ่งกันมีตนเป็นผู้วางตนเหมาะสมด้วยร่วมสุขร่วมทุกข์กับเพื่อนเป็นต้นด้วยคือทุกจุดในการที่เราเกี่ยวข้องกับสภาพสังคมสิ่งแวดแล้อมเราทํากุศลศีลให้เกิดขึ้นได้จริง เป็นทั้งทานกุศลศีลกุศลมันเชื่อมโยงกันได้จริงเพราะพัฒนานี้มันก็เกิดปลาโมติอิ่มใจดิปีติก็สุขใจปีติก็พองขึ้นมาแล้วก็สงบแล้วกเกิดความสุขใจต่อมาพอฝึกดูลมหายใจเข้าหายใจออกขึ้นขยายยางมันจะเป็นอย่างนี้นะมันจะเกื้อนหนุนกันหมดแหละงั้นทุกเรื่องที่ทําก็เชื่อมประสานแล้วก็ฝึกได้อย่างตอ่อเนื่องทุกขั้นตอน และออกจากสมาธิแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีเ อ, อลองสังเกตดูที่ว่าในสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยนางวิสาขาเนี่ยโอ้โหทำหน้าที่ อ, อนางวิสาขาต้องปฏิบัติต่อพ่อสามีแม่ของสามีด้วยนะปฏิบัติต่อสามีด้วยนะดูสิเนะ่ยในฐานะตนเองเป็นภรรยาเนี่ยขยันไม่มีเกียรติค้าในกิจการทั้งปวงเป็นต้นด้วยเนะนี่ยนี่แะเออ เธอปฏิบัติหน้าที่อย่างดีได้บอกว่าจัดการงานเรียบร้อยด้วยส่งค้อยาติั้งสองฝ่ายดีด้วยไม่นอกใจด้วยรักษาทราบที่หามาได้ขยันไม่เกียดค้าในกิจการทั้งปวงนะั้นเป็นกุศลศีลที่เธอทําอย่างต่อเ น, นื่องด้วยและในขณะเดียวกันเธอไปเป็นกระทานกระเซในขณะที่อยู่กับลูกน้องอยู่กับบริวานทั้งห้าหเนี่ยเธอก็โอ้โหดูแลบริวารลูกน้องเห็นไหมอันนั้นเป็นกุศลศีลที่เธอทําเลยนะ ยกตัวอย่างเช่นว่าในฐานะที่เธอเป็นเจ้านายเนี่ยจัดงานให้ทําตามความเหมาะสมกับกําลังกับวัยกับเพศของลูกน้องตนเองให้ตนเองจัดไปก็ใจก็เป็นไปกระุน่นกระสีลเห็นไหมฝึกขัดขัดเราตนเองตลอดเวลาให้ค่าจ้างรางวัลควรแก่ควรแก่งานการของลูกน้องที่ทํานั้นแล้วก็จัดสวัสดิการมีการรักษาพยาบาลในยามเจ็บไข้เป็นต้นให้กับลูกน้องเป็นต้นด้วยแล้วก็ให้มีวันหยุด ่วันนี้คนลาได้หยุดได้เธอก็จัดกิจการต่างๆเรียบร้อยอย่างนี้เป็นต้นแม้คนงานที่เป็นบริวารของนายวิสาขาก็เริ่มทํางานก่อนนายด้วยเลิกทํางานทีหลังนายด้วยเห็นไหมเป็นศีลของเธอทั้งนั้นแหละแล้วก็เอาแต่ของที่นายให้ไม่ช่อโกงไม่รักไม่เอาผลประโยชน์ของนายไปทําการงานเรียบร้อยดียิ่งขึ้นนําความดีของนายไปสรรเสริญตามที่ต่างๆเพราะพูดตามความเป็นจริงอ่ะพูดด้วยความรักด้วยความเมตตาถามว่า ทั้งเจ้านายทั้งลูกน้องทั้งผู้บงังคับบัญชาผู้ใตบ้บังคับบัญชาเนี่ยต่างก็เดินกุศลศีลกันไหมทั้งทานกุศลศีลกุศลท่านเหล่านั้นอย่าลืมนะเป็นพราะอริยะเยอะมากในยุคนั้นเน่ยคนลูกเจ้านายก็เป็นพระอริยะลูกน้องก็เป็นพระอริยะแล้วเวลาเธอปฏิบัติกันเนี่ยเวลาเดินไปวัดเอย่ยไปฟังธรรมกิจกรรมต่างๆก็ไม่เคยละเลยไม่เคยขาดให้ทานเนี่ยวันหนึ่งพระเป็นเลือนหมื่นเลือนพันเนะเธอให้ให้ขนาดนั้นนะ เออในสาวถีเนี่ยเธอตั้งประตูทานที่ที่แจกทานกุศลของเธอ เ, เต็มไปหมดในแนวสาขาเนี่ยขนาดนั้นน่ะพระไปที่บ้านในวันละห้าหกร้อยไปรับพัฒฐานก็ฉันหน้าที่ตรงนั้นแหละเธอก็สง่งเอปฏิบัติต่อพระเจ้าพระสงฆ์เนี่ยในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยท่านทำสิ่งใดกับพระสงฆ์ก็ทำได้เมตตารักปรารถนาดีเอื้อทอน ออพูดยากับพระก็พู ด, เดเได้เมตตาด้วยความรากักความปรารถนาเรืออร่อยคิดถึงพระสงฆ์ก็คิดได้เมตตามีความรากักความปรารถนาดีเอื้อทอนและต้อนรับด้วยน้ําใจได้ความเต็มใจโอ้โหพอพระมาดีใจถามว่าเห็นพระผ่านหน้าบ้านเราสะดุ้งหรือเราดีใจตัวเราอะ่ะดีใจเลยไหมเปิดประตูต้อนรับนิมนต์ฉันน้ํานิมนต์อะไรเราขนาดนั้นไหมหรือว่าเ อ, อ๊ะมาจะเรียอะไรกูเลยแบบคิดหรือเป่า เป็นอย่างนี้จริงๆนะสังคมก็เป็นอย่างนี้นะอย่าลืมนะแล้วก็อุปถัมภ์ด้วยปัจใจสี่ปัจใจสี่ไม่ใช่เอาเงินไปใส่มือผ้านะไม่ใช่ทุกวันนี้เราไม่เคยศึกษาเรื่องนี้กันเลยใช่ไหมเนี่ยมาบินบาทแถวเทนี้ยมีคนจะให้ตังค์ามาประจํามุนทางเยอะหมดแหละเขามาก็ต้องคอยบอกอู้ย่อมผ้ารับเงินไม่ได้พระรับเงินไม่ได้ต้องคอยบอกตลอดนะเข้ามาไปเสร็จยอมมาแล้วเมื่อเช้าอู้มาเยอะมาเข้ามาไปเสร็จ ม, มาก็ จะสตังค์ให้มาก็ต้องให้พอรอธิบายต้องอธิบายแบบใจเย็นด้เน้นะถ้าบอกปฏิเสธแรงๆเธอโกรธอีกหาวพระหญิงบ้างพระอะไรสารพัดนี่โอ้โหลำบากจริงเพราะเพราะเขาเพราะเขารับกันมาเยอะใช่ไหมถามว่ า, ามาอ่านไหมไม่หรอกอามาเอ อ, อามาจะอาธิบายก็ฟังมาก็ว่าโยมขอโมทนานนะจิตที่คิดจะให้เป็นบุญแล้วแต่พระรับได้แค่สี่อย่างนะเออพระรับเงินไม่ได้โยง พ่อเจ้าบอกเงินและทองไม่สมควรเกีสมณะไม่สมควรหรอกเล่าก็ไม่สมควรกับพระใช่ไหมเล่าไม่สมควรกับพระชันใดเงินและทองก็ไม่สมควรกับพระอย่างนั้นแหละหแต่พ่อเบริษัทรู้จริงๆรู้ไหมไม่เคยรู้นะใช่ไหมล่ะมีมีมีมีมม มีผู้สึกข่าวก็ถามมามาในกรณีที่บอกโอ้โ oh, หทําไมท่านพระเดี๋ยวนี้เสียทําไมเออมีเงินก็เยอะมีอะไรก็เยอะมาก็บอกอ๋อ oh, พระท่านเอามาก็บอกว่าเออคุณกล้าเขียนลงมหมถ้ามาพูดลงไปนะคุณกล้าเขียนลงไห ม, ม, ไนะ เ, ไหมเอา้าเขียนเดีย๋ยเอา้าโยพระที่เสียพ่อโยมอ่ะ เป็นเพราะคุณนี่แหละที่คุณเป็นโยมนี่แหละหนึ่งหนังสือพิมพ์เนี่ยถ้าไม่พ้าเสียสองโยมทุกคนเนี่ยโดยส่วนใหญ่ถ้าไม่พ้าเสียถามว่าพ้าท่านจะแปกเอามายัางไหนพ้าไปซื้อรถให้ท่านใช่ไหมพ้าไปเอาเงินไปให้ท่านใช่ไหมท่านถึงมีเงินในธนาคารใช่ไหมใช่ไม่ใช่อถ้าโยมไม่ให้ท่านจะไปทํามาหากินได้ไหมเนี่ยเราไปให้ท่านเองไงพอให้มาพอพอท่านเสียขึ้นมาโยมปฏิเสธกันหมดเลย ไม่ช่วยท่านเลยทุกวันเนี่ยใช่ไหมบางคนไม่ช่วยพอจะไปขอเงินคืนนี่น่าเกลียดจังไอ้นี่นี่เออเล่นทำลายกันเลยแต่เนี้ยใช่ไหมก็อย่าพุทธเจ้าบอกอย่าไปให้แต่ที่แรกใช่ไ้ยถ้าให้ก็เสียทีแต่เนี้ยยมก็ดูแลท่านสิท่านขาดเหลือเรื่องอาหารก็หารไปถวายท่านแค่นี้แหละนี่ไม่ผิด จีวรท่านขาดไม่มียอมก็ไปถวายที่ไปดูแลเนี่ยในหน้าที่ของพุทธบริษัทเนี่ยท่านไม่มีที่อยู่ก็ไปหาอะไรมุงบังให้ท่านตามสถานภาพที่ยมยังมีศรัทธาเพราะงั้นท่านไม่มียาก็ยาไปถวายท่านก็จบแล้วใช่ไหมท่านเจ็บป่วยก็เอาท่านไปโรงพยาบาลดูแลท่านหน่อยตามตามที่ยมศรัทธาย้าให้ท่านมาเกี่ยวข้องไอ้เรื่องนี้ได้ไหมไอ้บัญญัติตัวเนี้ยท่านั้นก็เดือดร้อนสิใช่ไหม เอาตอนนี้ใครผิดอ่ะถามจริงใครผิดพระหรือยอมเออยอมนี่แหละผิดอา้าวหนังสือพิมพ์ก็ผิดชอบไปเขียนท่านบอกว่าท่านเป็นพระอรหันต์เน่ยใครเป็นคนเขียนหนังสือพิมพ์นี่แหละเขียนยอมก็ไม่รู้ที่นีดว่ า, วาท่านเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมแล้ววันดีคืนดีแล้วท่านไม่ได้เป็นขึ้นมาแล้วทําไงตอนเนี้ยท่านก็เดือดร้อนอนีู่ตอนนี้ยใช่ไหมแล้วยอมไปเขียนทําไม ยอมรู้ได้ยังไงว่าท่านเป็นพระอรหันเน่ยยอมรู้วาลจิตท่านหรือคนที่จะเป็นพระอรหันเนี่ยต้องเป็นพระอรหันด้วยกันถึงจะรู้ใช่ไหมพระอรหันถึงจะรู้ว่าราจิตของพระอรหันได้พระนาคาถึงจะรู้พระวาลจิตของพระนาคาได้พระสกทาคาก็รู้วาลจิตพระสกทาพระโสดาบันก็รู้วาลจิตของพระโสดาบันใช่ไหมก็รู้ซึ่งกันและกันรู้คุณธรรมกันอย่างนี้ฉะนั้นเที่ยวไปพยากรณ์คนอื่นแปลว่าต้องถามไปคนพยากรณ์เนี่ย ใช่ไหยสรุปแล้วอ้าวคุณกลาเขียนลงไปไห้โอ้เรื่องราวที่เกิดขึ้นชั้นที่เป็นสื่อมวลชนเนีผิดที่ทั้นเขียนผิดก็เพราะประชาชนได้ผิดเพราะฉะนั้นสื่อมวลชนก็ดีและประชาชนก็ดีต่อไปนั้นปฏิบัติต่อพระเจ้ า, าพระสงค์ให้ถูกหนึ่งทำสิ่งใดก็ทํำด้วยเมตตาทํากับพระสงฆ์สองเวลาจะพูดอะไรกับท่านก็พูดด้วยเมตตาคิดถึงท่านก็คิดด้วยเมตตาแล้วก็ต้อนรับท่านด้วยความเต็มใจ อุปถัมภ์ปัจจัยสี่เว้นเงินได้ไหมปัจจัยสี่มีอะไรที่อยู่อาศัยเครื่องนึ่งหม่มยาอาหารใช่ไหมเว้นเงินใช่ไหมพอพระพุทธเจ้าบอกเงินและทองเป็นต้นเนี่ยไม่เหมาะสมแก่พระอย่างเงี้ยถ้าถ้าพุทธบริษัททั้งสี่ปฏิบัติถูกยอมว่าจะมีปัญหาไหมสรุปแล้วใครผิด <c oughs> ยอมนี่แหละผิด แล้วก็ยอมก็ไปฆ่าท่านอยน่างนี้แล้วท่านก็ไม่รู้ยอมก็ไม่รู้ต่างฝ่ายต่างก็ไม่รู้กันเนาะน่ากลัวไหมสิ่งที่คําว่าไม่รู้น่ากลัวไม่น่ากลัวน่ากลัวก็เลยไปกันแบบนี้แหละมันก็เรื่องเดิมมายอมเปลี่ยนไปเดี๋ยววันเนี้ลองยอมอยากให้ท่านจะมาหาหน้าเสียไหมยอยากไหมง่ายนิดเดียวจะแนะนําอยากไหม ย, ยอมเอาเงินไปถวายท่าน ถ้าท่านไม่เอาก็บอกว้ยไม่เป็นไรท่านเดี๋ยวดิฉันฝากในธนาคารในชื่อของท่านไห้ทำไปเรื่อยๆนี่แล้วก็ไปร่วมช่วยร่วมกันเดี๋ยวฉันให้ลถท่านเดี๋ยวเราทาที่อยู่ดีๆให้กับท่านบารุงบาเลอไปนไม่ไม่เกินห้าเดือนเดี๋ยวท่านก็ติดใช่ไหมพอท่านติดขึ้นมาเดี๋ยวท่านก็เสียแต่ใครเป็นคนทำให้ท่านเสียยอมไง ทุกอย่างมันเกิดขึ้นมามนต้องมีเหตุใช่ไหมเออเนี้ยก็ดูง่ายมากยอมเจ้าจะทําให้พ้าเสียเนี่ยง่ายแต่ไป ท, ทไําทําไมน่าสงสารท่านใช่ไหมแล้วทุกวันเนี่ยท่านก็โดนตําหนิโดนอะไรขึ้นมาแล้วเราจะทำไงแล้วพวกเราก็ยังพลอยไปด่ากนันอีอ้ตายเลยแต่เนี้ยแล้วไม่รู้ในฐานจริงๆเราไปทําเพราะเราไม่ประพฤติจารีเสียนกับท่านให้ถูกงะยอมนี่ไงเพราะพุทธบริษัทไม่มีจารีเสีล ไม่มีจารีสีนก็พลอยเสียไปหมดแม้ไปแม้ไปเกี่ยวข้องกับพระก็ไปทําลายพระกันอามาเสดายเสดายพระแต่ละองค์นี่ไปเนี่ยบางองค์เก่งๆเท้งนั้นแหละยอมทําลายจะเกลี้ยงมหมดเลยเอามาหาอำนาจไว้สักองค์ได้ไหม <c oughs> ได้ไหมเอออย่าไปทําลายท่านใช่ไหมล่ะพยายามอยากจะให้ท่านได้ฝึกหัดขัดเราตัวเองจะได้เอาคําสอนของพุทธิย่ามาบอกเราใช่ไหม ยมคิดว่ากว่าจะฝึกได้แต่ละองค์นี่ยากไหมโอ้โหต้องมาฝึกต้องมาเดินสมาธิฝึกข้อมูลคําสอนฝึกฝึกแล้วฝึกอีกนะโอ้พอฝึกไว้อย่างดีพอไปคบกัยอมหน่อยยอมทําลายจีบโอย้ยอมนี่ยคบยากแท้เออ ย, ยอมเนี่เป็นกัลยาณมิตรกับพระหรือเปล่าเนี่ยเป็นไม่เป็นถามยอมที่โย้พจน์นี่เป็นกัลยาณมิตรกับพระไหมเป็นหรือไม่เป็นเคยทําลายพระไปกี่องค์แล้ว ถามจริงเคยไหมเอา้าเคยเอาไปยัดไตบาทาพ้าบ้างไหมแบงห้าร้อยเคยไหมแบงพันเคยไหมเอา้าใครเคยยกมือขึ้นโอ้โหแล้วทำไงเนี่ยต่อไปก็อย่าทำเท่ไหมถามท่านเนี่ยท่านยอมมีศรัทธากับท่านวิธีการนะยอมมีห้าร้อยเนี่ยยอมจะถวายท่าน แต่ถ้าท่านปรารถนาสิ่งใดเรียกร้องจากโยมที่ไม่ใช่เงินยอมภาวณาเลยอย่างนี้ได้ไหมได้เช่นยอมจะถวายท่านอยากจะถวายเนะี่ยโยมไปภปาวณาเลยนะเออยอมมีปัจจัยยูนห้าแ 0,000 นบาทจะถวายท่านนี่แหละแต่พะเงินไม่สมควรแก่ท่านแต่ปัจจัยสี่สมควรแก่ท่านฉะนั้นท่านเรียกร้องจากโยมได้ที่สมควรต่อสมณะบริโภคอะ เออองนี้เราไปปรนนาท่านเลยท่านต้องการอะไรก็โยมอาจมาขาดเหลือลองรองเท้านะยอมก็ไปพิจารณารองท้าก็หากทาบัญชีไปเออนี่หมดไปแล้วนะท่านนะเมื่อวันก่อนซื้อรองเท้าไปร้อยหนึ่งเหลืออยู่สี่แสนกว่าบาทสมมุติเง <c oughs> ี้ยนะเนี่ก็ทําบัญชีให้มันชัดเจนได้ไหม <c oughs> แค่นี้แหละเวลาดูแลพระง่ายมากเออหลักการของในพระพุทธศาสนาก็าสอนอย่างนี้พระเนี่ยเขาจะมี พระที่มีหน้าที่เก็บจีวรเขาห้ามแจกพระที่มีหน้าที่แจกจีวรไม่ให้เก็บใหมก็จะมีอย่างนี้พระเจ้าจะตั้งอย่างนี้อันนี้เหมือนกันพระเนี่ยยมที่จะถวายปัจจัยพระเนี่ยยมเก็บไว้ดีแล้วอธมาสนับสนุนหรือหา ว, วัยยัจกรยมถามท่านเลยพระคุณเจ้ามี ว, วัยยัจกรไหมถ้ามีก็แจ้งกับว้วยาจกรเลย เพราะอะไรรู้ไหม ว, วิทยวจกรจะต้องคอยดูพระว่าเออถ้าเอาไปไว้กับพระเดี๋ยวความโลภจนเกิดใช่ฮะจริงไหมจริงเนี่ยเ้าเรียกดูแลซึ่งกันและกันคำว่าดูแลก็คือหนึ่งยอมที่ทำหน้าที่วัทยวจกรก็จะต้องซื่อสัตย์สุจริตดูแลตัวเองว่าเออตัวเอ ง, เองกำลังเจริญกุศ ล, ลศีลอยู่นะพระก็ก็ดูแลตนเองว่าไม่ให้ไปเกี่ยวข้องตรงนี้ เอาถ้าพระเดือดร้อนสมมุติว่าไม่สมมุติอะไรจริงๆอะยมวายวายยมยมวรวาสเนี่เป็น ว, วัยวจีกรของพระนี่เป็นจริงๆนะอามาเวลาขาดหรืออะไรามาโทรเลยเนี่ยโทร บ, บอกอามาต้องการอะไรอย่างสมมติว่าไม่มีโทรศพัพท์ออกมาก็จะเดินไปหายม ว, วัยวจีกรเอ่ยยมวรวัาสแล้วเข้าไปก็จะเล่นพรยมยมวรวัาสอาตมาต้องการจีวร ยมสมมติว่ายอมวัดเฉยสมมตินะเอามาก็ได้วันหลังอามาไปใหม่ว่าเอ้ยอมอามาต้องการจีวร อ, อย่างเงี้ยนะเห็นไหมไปขอสามครั้งเท่านั้นนะ <c oughs> ถ้าต่อไปขอไม่ได้ต้องไปยืนได้เห็น <c oughs> มีหลักปฏิบัติอย่างเงี้ยอามาก็ไปยืนไปยืนยืนได้ยอมวัดเห็นถ้ายอมวัดไม่ใหต่อไปก็ไปทวงไม่ได้แล้วแต่ยัยงงี้เป็นต้น แต่ยมบวชไว้ก็จะต้องจะต้องไม่ไม่ไปเอาของสงฆ์ใช่ไหมถ้าไปทําอย่างนั้นขึ้นมาเดี๋ยวเป็นเปรตของพระเจ้าพิมพิสารไงเปรตของพระเจ้าวิสารก็นี่แหละเอาของสงฆ์ไปใช้ส่วนตัวนี่แหละนั้นมีหลักปฏิบัติงั่นอยู่ที่จริงถามว่าพระพุทธเจ้าวางอะไรไว้เรียบร้อยหมดไหมเรียบร้อยหมดอยากให้พวกเราศึกษากันเนี่ยถ้าศึกษาจะน่ารักหมดเลยเนี่ยใช่ไหม เออนี่แหละคือหลักการที่ว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วกาลังของกุศลศีลจะเกิดแข็งแรงมากหมอนว่าเนี่ยเหมือนที่ยกตัวอย่างนางวิสาขามหาบสิกาหรืออนาถปิณฑิกาเศรษฐีเนี่ยเวลาท่านท่านในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยท่านก็แสดงความเคารพนับถือต่อพระสง์ท่านทำสิ่งใดก็ทำด้วยเมตตาทำต่อพระเนี่ยโอ้ไปทำ ทำด้วยเมตตาเช่นว่าโอไปกวาดวาดัดไปดูแลท่านก็ทํำด้วยเมตตาเนะโพดกับพระท่านก็พูดด้วยเมตตามีความรากักความปรารถนาดีคิดถึงพระก็คิดด้วยเมตตาว่างั้นเจอต้อนรับด้วยน้ําใจอันงามด้วยความเต็มใจนะ่ยไม่น่านิวคิว้วขมวดเจอหน้าพระที่ไรก็ยิ้มแย้มแจ่มใสชื่นใจนิมนพระมาอะไรมาอุ้ยต้อนรับดีอย่างนี้เป็นตน้น ทุกวันนี้พ่อเถลิศศาเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเป็นอย่างเก่าเนียถ้าป่วยนี่ถ้าเออถ้าจะไปเด Nation ี๋ยวนี้นะสมมติจะไปหาโยมเนี่ยไปสี่องค์ก็ไม่ได้นะเดี๋ยวเนี้เขาหาว่าเราจะไปสวดศพนะใช่ไหมโออามาเนี่ยลำบากใจมากเลยเออทําไมถูกสอนกันแบบนี้ก็ไม่รู้แท้จริงสี่องค์เนี่ยมันครบองค์สงใช่ไหมแต่ในประเทศไทยเราบอกสี่องค์ให้สวดผี แล้วก็กลัวดิถ้าพามาสี่องค์นี่ยอมว่าบ้านนั้นจะโชคดีหรือซวยอ่อยอมว่าซวยหรือโชคดีดใช่ไหมล่ะจะยิ่งดีสิมามากกว่า น, นั้นจะยิ่งดีใช่ไหมแต่เทียบไว้าบางบ้านนี่เขถือเลยเนะถ้ายิ่งแล้วคนจีนด้วยไม่ได้เลยนะถ้าย้อนตอนป่วยๆนี่เขาห้ามพะไปเยี่ยมเลยเขาบอกเป็นลางร้าย แสดงว่าเขาจะตายแล้วใช่ไหมเนี่ยมาเยี่ยมเขาตอนนี้นี่ลำบากอย่างนี้แหละเอาพวกเราถ้าตอนป่วยอยากให้พ้าไปเยี่ยมไหมอยากให้พ้าไปเยี่ยมนะเนี่ยเออตรงนี้แหละว่าพระมีหน้าที่อะไรพระเวลาปฏิบัติต่อยมเนี่ยจะต้องนึกถึงกุศลศีลด้วเองด้วยนะจะต้องทำด้วยศรัทธาเชื่อมั่นในพระรัตนตรยัยและจะต้องเพียร ออไม่ห้ามปรามก็คือสอนให้เว้นจากความชั่วเหมือนเอามากลังทำอยู่เนี่ยเนี่ยามาทำในฐานะเป็นพระที่พึงปฏิบัติเตยมนยสอนห้าไม่ทำไม่ให้ทำความชั่วสอนคือแนะนำให้ทางตั้งอยู่ในความดีนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็อนุเคราะห์ด้วยความปรารถนาดี ห, หจะมีความรักความปรารถนาดีเวลาจะอนุเคราะห์ อ, อะไรก็ด้วยความปรารถนาดีให้ได้ฟังให้ได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยฟัง อย่างมาจะพยายามบอกข้อมูลเนี่ยพยายามบอกในสิ่งที่ยมไม่เคยฟังใช่ไหมเนี่ยและก็ชี้แจงอธิบายสิ่งที่เคยฟังแล้วให้แจมแจ้งอย่างยอมอาจจะเคยฟังมาเยอะใช่ไหมเอามาก็พยายามชี้แจงบอกเหตุผลบอกเรื่องราวต่างๆเนี่ยเพื่อให้ยมนั้นอาถหนและเห็นแจ้งชัดเจนขึ้นมาและจะได้หมดข้อกังขาในจิตใจ อ้าต่อไปยมปฏิบัติต่อพระนี่ยอมหมดข้อกังขายังหมดไหมหรือยังมีอยู่มันอาจจะยังเหลือนะแต่ว่าเออเ น, นี่ยมาเขาพยายามจะชี้แจงบอกว่าต่อไปก็ปฏิบัติต่อพระให้ถูกแล้วก็พระก็ต้องปฏิบัติต่อยอมไม่ถูกนั่นยมก็เป็นอย่างนี้อยู่เรือ่อยเลยยอมจะโยกให้มาเขียนหนังสือยังมาเหนื่อยอยู่อเอ อ, เ อ, อตรงนี้ถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้ ก็นี่ไงยอมก็เนี่ยที่โยพุทธนี่ก็เป็นแหล่งให้ข้อมูลความรู้แล้วนี่ย้อมก็ได้แล้วนี่ไงความรู้ใช่ไหมอ่ะถ้ายอมไม่มาปฏิบัติครั้งนี้ยอมจะรู้แบบนี้ไหมก็นี่ไงย้อมก็ได้ไปแล้วอันนี้มีค่าไหมมีค่ามากใช่ไหมล่ะถ้าไม่มาคราวนี้คงโอ้โหเสียหายไหมถ้าไม่มาคราวเนี้ยบางคนดิเม่รู้อย่างนี้ไม่มาแต่แรกแล้วรู้อย่างี้ไม่มาแต่แรกแล้ว น, นี่เข้าใจอย่างว่าทั้งหมดเหล่านี้พูดในเรื่องของศีลฉะนั้นศีลก็คือยางกายกรรมอย่างวาจีกรรมตนเองให้ตั้งมั่นได้ดีไอ้ที่จริงตัวตั้งมั่นจริงๆก็คือคุณภาพจิตในยอมจิตที่ตั้งมั่นเพราะกุศลศีลมันเกิดเห็นไหมว่าไม่ว่าเราจะเกี่ยวข้องกับใครก็เป็นไปกับกุศลหมดเลยแล้วก็จะรู้แล้วอ๋อเป็นการปฏิบัติในตัวทานกุศลศีลกุศล แท้จริงก็คือในเรื่องของจารีตนั่นเองเรานึกว่ามีแค่ศีลห้าใช่ไหมเรานึกว่าแต่เออสมาทานไม่ฆ่าแล้วก็พอแล้วไม่ลกักไม่ประพฤติผิดในกรรมไม่พูดเทศศอเสียดคำหยาเพื่อเจอือไม่ดื่มสุรามีไรเออแค่นี้พอแล้วแต่ที่ไหนได้พดระเจ้าไม่ได้สอนแค่นี้เลยพระเจ้าแค่ว่าวินัยของเครือขัดวินัยของเครหอขัดวินัยของคาร ว, วาสเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดวินยัย วินัยเนี่ยเป็นเป็นบัญญัติเป็นสมมุติสัจจะที่บัญญัติให้ปฏิบัติแบบนี้แต่บางคนได้แค่วินยัยแต่ไม่สามารถเข้าสู่ศีลได้ศีลนี่เป็นตัวสภาวะธรรมเออสภาวะธรรมก็คือศรัทธาไงก็คือเจตนาไงก็คือความเพียรไงไ อ, อตัวนี้เป็นสภาวะธรรมนะนะศรัทธาคือความเชื่อมั่น ความเพียรคือการประคับประคองกระแสชีวิตของตนเองให้ปฏิบัติเดินตามแบบอย่างหรือวินัยกฎเกณฑ์นี้ได้อย่างถูกต้องและก็มีกําลังของสติมีกําลังของสมาธินี้เพิ่มขึ้นมาในกรณีที่มีเจตจำนงในการที่จะทําข้อวัดปฏิบัตินตนเองเนี่ยให้เต็มให้บริบูรณ์ไอ้ตรงเนี้ตัวสภาวะธรรมเหล่านี้ก็เกิดขึ้นนี้เป็นศีลมันก็เกิดขึ้นสภาวะก็คือความไม่โลภความไม่โกรธสรุปแล้วก็นี้แหละกุศลเหล่านี้ ถามว่ายิ่งมีข้อปฏิบัติมากเท่าไรแปลว่ากุศลยิ่งเกิดมากขึ้นไหมมากหรือไม่มากยอมว่าข้อที่พุทธบริษัทที่พึงปฏิบัติต่อพ่อแม่ปฏิบัติต่อลูกปฏิบัติต่อสามีปฏิบัติต่อภรรยาปฏิบัติต่อเพื่อนและปฏิบัติต่อครูอาจารย์ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาปฏิบัติต่อพระสงฆ์พระสงฆ์ปฏิบัติต่อคารวะ ข้อปฏิบัติต่างๆเหล่านี้ยิ่งมีมากยิ่งดีหรือมีน้อยถึงจะดีมากดีหรือน้อยดีเห็นไหมยิ่งมากยิ่งดีเพราะยิ่งมีมากก็ยิ่งมีปัจจัยเกื้อหนุนต่อการที่จะทําให้ตัวกุศลเกิดได้มากเหมือนกับการที่เรามีทหารแวดล้อมประเทศชาติปกเห็นไหม อยู่ตามแนวชายแดนแนวตะเข็บที่จะป้องกันโจนผู้ร้ายจากประเทศตะลาทั้งหลายอ่ะจากประเทศทต่างๆเข้ามาบุกรุกลานมีกองกำลังทหารคอยปกครองคุ้มครองมากเท่าไหร่ยิ่งดีก็แปลว่าบ้านเมืองก็ปลอดภัยฉะนั้นการที่เราอยู่กับกุศลศีลเหล่านี้ต่อไปเมื่อตัวกุศลศีลไหมพระเจ้าบอกว่าศีเลปฏิถายานโรสปัญโย นรชนใดเ่เออบอกว่านรชนใดน่ว่านรชนผู้มีปัญญาก็คือเกิดมาแล้วเนี่ยมาจากปัญญามาจากความไม่โลภไม่โกรธมีปัญญามาตั้งมั่นในศีลก็แปลว่าทั้งสองอย่างด้งกล่าแหละทั้งจารีตศีลที่กล่ามาทั้งหมดที่ปฏิบัติต่อสังคมสิ่งแวดล้อมวาริตะก็คือข้อห้ามคือการงดเว้นจากการฆ่า ง, งดเว้นจากการลักเป็นต้นหนีตั้งมั่นแล้ว แล้วก็ตรวจสอบตลอดเวลาเลยเหมือนกับการที่เราไปตรวจสอบกําลังของทหารตามแนวตะเข็บแนวชายแดนว่อู่ทหารตื่นตัวกันดีไหมไม่หลับไหลไม่มัวเมาไม่เผลอเลอกันอยู่โอ้ย่างงี้ดีเหลือเกินก็ป้องกันอันนี้เหมือนกันก็ป้องกันบาปอากุศลธรรมอันชั่วร้ายทั้งหลายไม่ให้เข้ามาเข้าสู่ใจของตนเองปิดบาปได้เลยไม่ทําบาปนี่ตั้งมั่นในศีลพอตั้งมั่นในศีลแล้วตเนี้ยพอ พอศีลดีแล้วเนี่ยจะเกิดปลาโมดใจดอิ่มใจชื่นใจแล้วปิติโอโหัวจิตพองตลอดเลยอุ้ยวันนี้พิจารณาวันนี้และวันใ ห, หนที่ผ่านมามีแต่ไม่มีข้อบอกพร่องในกระแสชีวิตเลยใช่ไหมปิติเกิดสงบไหมจิตสงบสุขไหมสุขสมนัสสมาธิตั้งนี่อย่างโอ้โหพอฝึกสมาธิขึ้นเร็วไหม ขึ้นได้เร็วมากแต่ตอนนี้เร็วไหมเพราะอะไรกําลังของกุศลศีลดีไม่ดียังไม่ได้เหตุปัจจัยยังไม่รับการเกื้อหนุนไม่ใช่ไม่ดีนะตอนนี้คล้ายๆว่ายังไม่ได้รับการเกื้อหนุนมันเหมือนกับการที่ว่าร่างกายจะแข็งแรงได้ก็ต่อเมื่อเราได้ให้เหตุปัจจัยให้อาหารให้วิตามิน ให้เครื่องช่วยทั้งหลายที่ทําให้ร่างกายนั้นแข็งแรงแม้ชั้นใดตอนนี้กุศลศีลไม่แข็งแรงเพราะเรายังไม่ได้ฝึกให้เกิดขึ้นจริงๆนั้นถ้าฝึกให้เกิดขึ้นจริงๆเดี๋ยวก็เรียบร้อยใช่ไหมฝึกยากไหมไม่ได้ยากเลยเพราะชีวิตเนี่ยต้องไปเกี่ยวข้องกับคุณพ่อคุณแม่ไหมต้องเกี่ยวข้องกับบุตรภรรยาไหมสามีไหมเกี่ยวข้องกับเพื่อนไหมเกี่ยวข้องกับลูกน้องเกี่ยวข้องกับเจ้านายไหม แล้ก็ต้องเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์พระเจ้าไหมพระเจ้าประสงค์ไหมก็เกี่ยวข้องเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ฝึกให้เป็นศีลแค่นั้นเองเราเป็นได้แค่ประเพณีเราต่อไปเราจะไม่อยู่แค่ประเพณีไม่ได้อยู่แค่เพียงวิธีการหรือพิธีกรรมแต่ต้องสามารถผลิตตัวกุศลศีลให้เกิดขึ้นให้ได้แล้วต่อไปจะดีไหมแล้ต่อไปก็จะดีนะ นี่แหละคือเรื่องที่จะบอกในเรื่องพอเป็นพื้นฐานเดี๋ยต่อไปจะได้พูดในเรื่องของสมาธินี้กี่โมงแล้วใบสองเท่าไหร่เออเอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวตอบปัญหาอีกหน่อยพอสามโมงแล้วเดี๋ยวเบรกสักพักหนึง่งเนะี่เดี๋ยวกลับเข้ามาพูดเรื่องสรุปสมาธิ มีใครจะถามอะไรไหมเรื่องตัวทานกุศลศีลกุศลจาริตตวริตต์แต่ว่าเดี๋ยวพระที่ท่านอยู่ท่านก็จะคงจะมาเคลียร์คียรรายละเอียดมาพูดแบบให้มีตัวสัมพันธ์กันยังไงนะให้เชื่อมโยงกันยังไงแต่รายละเอียดทั้งหลายเรามาก็ไม่เวลาเจาะลงมีใครสงสัยเรื่องพวกนี้ไหมเออขอขอตัวอย่างหน่อยว่ามีใครปฏิบัติในด้านของจริตตศีลวริตตศีลค่อนข้างดี มากเลยที่อยู่ที่บ้านอยู่ที่กับเพื่อนอ่ะปฏิบัติได้ดีมากเลยคือคิดทีไรตัวเองก็ภูมิใจตื่นเต้นขนลูกค้นชันมีไหมอ๋อเออลองเล่าให้ฟังหน่อยทีเอาลองไม้ไปให้โยมอยากดูตัวอย่างสักหนึ่งตัวอย่างอ่ะขอไม้ไปให้โยมที่นั่งนั่นอเอามาข้างหน้าเลยก็ได้อ๋ เอเชิญมาข้างในก็ได้เออขอดูหน่อยเออได้ได้ตัวอย่างสักหน่อยที่ว่าเออยอมว่ามั่นใจว่าปฏิบัติในจริตตสีลวาริตรตสีนได้ชัดเอ๊ะทางนี้จะด้งถามว่าเออสมาธิได้ถึงไหนด้วยเนี่ยเอาเชิญเลยกราบนบอสกราบดอสการผู้อารย์ครับเอารายงานตัวด้วยผมชื่อทวิทครับ ผมชื่อทวิตช<อ> า, าวามณสกคัดผมได้ฟังซีดีของท่านผู้จารทำให้ผมเข้าใจว่าการปฏิบัติจาริตรศีลวาลิจจาริจรศีลนี่ทำยังไงแล้วผมก็เริ่มปฏิบัติที่บ้านนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยเวลาทำงานบ้านเนี่ยจะโกรธหงุดหงิดง่าย ตอนหลังเนี่ยทโดยเข้าใจว่าเป็นการทำศีลของตัวเองให้เดินในชีวิตประจำวันก็เลยทำแบบทำไปยิ้มไปแล้วก็ข้อสำคัญก็คือว่าเวลาตื่นนอนช่วงหลังนี้นะฮะตื่นนอนเนี่ยจะจะยิ้มจะยิ้มรู้สึกว่าตัวเองทำทได้ดีแต่ว่าอันนี้เพิ่งเริ่มทำที่บ้านกับ กับที่ทำงานกับอะไรก็ยังทำไม่ได้ครับผมมีตัวอย่างแค่นี้ครับอาจารย์ทำทำจาริตศีลทำยังไงยกตัวอย่างที่ที่เห็นชัด อ, อ, อย่างเช่นเวลาตอนนี้ภรรยาเนี่ยมือใช้ไม่ได้ข้างหนึ่งนะ <c oughs> ผมก็ทำทุกอย่างให้เขาหมดเลยไม่ว่าจะเป็น ภรยาชอบผลไม้ใช่ไหมผมก็ซื้อซื้อที่เขาชอบทั้งหมดเลยนะมาแล้วก็ทําเตรียมไมาให้เขาหมดเลยอ๋อภรยาชอบผลไม้เลยไปหาผลไม้มาให้ภรรยาครับภรรยาเป็นอะไรนะมือข้างหนึ่งเออมือข้างหนึ่งไม่ค่อยมีแรงนะไม่ค่อยมีแรงครับถ้าภรยาชอบกินเนื้อหมูก็ไปหาซื้อเนื้อหมูให้ภรยางี้ปะอย่างนี้ปะก็พยทําปฏิบัตินี้พยายามทําโดยโดย ไม่มีความรู้สึกที่ว่าลาคานหรือว่าเบืออเ่อหรือว่าอะไรทั้งสิ้นทําไปยิ้มไปฮะเรารู้สึกว่านั่นเป็นการทําศีลของเราเอง อ, อืมอืมไม่เคยคิดว่าอยากให้ภรรยาไปเร็วเรวงี้ไม่เคิงั้นเหไม่คิดใช่ไหมคิดไหมคิดไหมไม่เคยครับโอ้ไม่คิดระวังนะว่าตัวการปฏิบัติตัวกุศลศีลเนี่ยจะมีกับเมตตาสังเกตไหมรักปรารถนาดีเอื้อทอน เมื่อเขาทำไม่ได้ตนเองก็จะทำหน้าที่ดูแลให้ดีที่สุดปกติให้สังเกตนะถ้าดูกับคนป่วยเนี่ยได้อยู่กับคนป่วยเนี่ยจะงดยินนะฉะั้นถ้าคนมีศีลเนนะี่ยอย่างที่โยมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยนี่น่าชื่นใจแปลว่าถ้าใครเคยอยู่กับคนป่วยย่อมรู้ใช่ไหมว่าไม่ใช่ธรรมดาหรอกถ้าไม่รู้จักตัวกุศลศีลแต่ทีนี้รู้ว่าสิ่งที่ตนเองทำนั้นเป็นศีลของตน แล้วมันจะพัฒนากระแสชีวิตของตอนเองขึ้นสู่สมาธิและปัญญาเป็นต้นยังไงเอาแล้ววาลิตาล่ะปฏิบัติยังไงเมื่อกี้จารีใช่ไหมเป็นประเพณีปฏิบัติตามกฎ เ, เป็นวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติให้ให้ปพิจารณปฏิบัติ ต, ต่อกันและกันแต่ไม่ใช่ได้แค่รูปแบบแต่คุณภาพของจิตได้ความสุขจากการปฏิบัตินั้นด้วยใช่ไหมเอาแล้วศีลหลักล่ะศีลข้อห้ามล่ะศีลข้อห้ามนี่ผมตอนเช้าตื่นขึ้น และก่อนนอนผมสมทานศีลห้าทุกวันเลยครับแล้วก็พยายามปฏิบัติโดยเดินศีลในด้นในชีวิตประจำวันจริงๆนฮะนั่นก็คือว่าไม่เคยคิดที่จะทำผิดศีลและก็นอกจากนั้นยังเมื่อไม่ทำผิดแล้วยังให้มีจิตเมตตาเมตตาว่าขอให้เขาเจริญ ขอให้เขาทรัพย์สินของเขาอย่าได้เสียหายขอให้ลูกเมียของเขาอย่าได้ถูกเบดเบียนและขอให้อย่าคนทั้งหลายอย่าได้มอมเมาจากสิ่งมอมเมาชั่วร้ายทั้งหลายเลยครับรวมทั้งเรื่องพูดปดพูดยาพูดส่อเสียดเพ้อเจ้ออันนี้จะไม่ทำแล้วก็ขอให้ทุกคนได้รับแต่คำสัต์คำจริงคำที่ดีมีประโยชน์ เออสาธุเออตรงนี้ตรงนี้ทุกเราต้องวอดนานะกว่าจะฝึกได้แบบนี้ต้องตั้งใจจริงๆนะจากคนขี้โกรธเนี่ยถ้าทําได้แบบนี้นะอันนี้ไม่ธรรมดาแล้วนี่นี่แกลว่าคุณธรรมเกิดจริงๆนี่แหละคือศีลเป็นเนื้อเป็นตัวอย่างนี้เลยโยงพอได้เข้าสัมผัสแล้วเข้าถึงแล้วไม่ใช่เป็นความอึดอัดแต่เป็นสภาพของความสุขลองคิดดูที่ว่าภรรยาถ้าได้สามีเนี่ยเขาจะมีความสุขไหม ท, ทั้งทั้งที่ตนเองเนี่ยเอ สุขภาพแย่ลงแต่ถ้าหากว่าสามีไม่ตั้งอยู่ในศีลภรรยาจะโอ้โหกลัวมากเลยนะเดี๋ยวสามีออกจากไปบ้านออกไปบ้านแล้วแต่ที่ไหนได้ทั้งจารีตศีลภรรยาสามีก็ดีแล้วยังสมาทานวาลิตศีลด้วยไม่ฆ่าไม่รักไม่ประพฤติผิดในกายไม่นอกใจด้วยตัวเนี้ยแล้วก็ไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดคําหยาบและเพื่อเจอด้วยและไม่ไม่เอาของมึนเมามาใส่กระแสชีวิตด้วย เนี่ยดีนะที่ไม่ได้ถามต่อไปถ้ากรณีอย่างเงี้ยถ้าเธอหรือยอมเนี่ยฝึกสมาธิเนี่ยจะขึ้นได้เร็วมากนี่แหละเป็นอย่างเงี้ยแล้วมีความสุขนั้นถ้าใครเข้าสู่สภาพสังคมแบบนี้ได้อันนี้เ็าเรียกเดินตามแบบอย่างของอารยาชนนี่คือสังคมอารยะแต่ถ้าหากว่าทำตรงกันข้ามกับสิ่งนี้เ็าเรียกว่าสังคมที่เป็นอนารยะที่ไม่เจริญ นี่แหละความสุขที่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงว่าผู้ปฏิบัติธรรมต้องมีความสุขตั้งแต่ในบ้านแม้เข้ามานี้ก็มีความสุขไม่ใช่มานั่งสุขในนี้แต่กลับไปบ้านก็ว้าวุ่นเดือดร้อนไม่ใช่เลยอันนี้ก็เรียกว่าสุขได้ทุกที่และมีจังหวะเวลาเมื่ อ, อไรก็รีบมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมมาเดินตามรอยบาทพระาศาสดาฝึกอย่างแท้จริง เนี่ยถ้าใครได้คนที่มีศีลประชุมไว้ในกระแสชีวิตมีสมาธิปัญญาประชุมไว้ในกระแสชีวิตลองคิดดูที่ว่าเยอะมว่าชีวิตจะมีความสุขไหมอันนี้เงินทองก็ซื้อไม่ได้ความสุขอย่างเงี้ยต่อ้มีเงินร้อยล้านพันล้านแสนล้านหมื่นล้านซื้อไม่ได้หรอกนะอันนั้นไม่ใช่ความสุขมันเป็นเรื่องนอกตัวหมดแล้วแต่อันนีเน้เป็นความสุขที่เกิดขึ้นในตนเยี่ม เกิดขึ้นในตนได้สัมผัสได้จริงเงินทองซื้อไม่ได้เกียรติยศชื่อเสียงซื้อไม่ได้นี่แหละศีลที่เกิดขึ้นกับยอมที่กล่าวสักครู่นี่แหละเขาเรียกเป็นสารณะนี่แหละคือทำมังสรารนังกระฉามินิกพุทธทางสารนังกระฉามิทำมังสรารนังกระฉามีนี่คือสังฆังสรารนังกระฉามินี่เกิดขึ้นในตนเป็นที่พึ่งและชีวิตถ้าหากว่าได้อย่างนี้แล้วแปลว่าปลอดภัยแล้วระดับหนึ่งตนเองไม่มีเวรภัยกับใคร ภรยาเจ็บป่วยก็ก็ไม่เดือดร้อนใจเห็นไหมก็ว่าต่างคนต่างก็ทำหน้าที่เมื่อตอนเองทำหน้าที่ไม่ได้ยมลองคิดดูที่ว่าถ้าเรานอนอยู่บนเตียงคนไข้ใกล้ตายแล้วเรามีคู่ชีวิตเราอะที่เป็นผู้มีศีลคอยดูแลคอยเช็ดคอยปิดตาเราใกล้ตายอะที่เขามีศีลเนี่ยถามว่ายศยมจะหาที่ไหนหาแบบนี้หาไม่ได้หรอก ถ้าเราไม่มาปฏิบัติหรือศึกษาคําสอนพระเจ้าจริงๆและแต่ยอมมาฝึกสมาธิอย่างเดียวยอมก็จะไม่เข้าใจด้วยหรือมาเจริญวิปัสนาปัญญาที่ยอมพูดกันเนี่ยก็จะไม่เข้าใจด้วยยอมก็จะไม่ได้ความสุขที่แท้จริงด้วยเพราะฐานข้างล่างมันพังฐานข้างล่างมันสุดมันก็ได้วิ่งจะเปลี่ยนอารมณ์ไปวันๆอยากจะไปกรรมฐ า, านนู่นกรรมฐ า, านนี้ไปเรื่อยอยๆแต่ที่ไหนได้ปัญหาชีวิตตนเองก็ไม่ได้ชําระ เพราะมันไม่เข้าถึงความสุขได้อย่างแท้จริงตนเองก็อยู่อย่างว้าเวะใช่ไหมเพราะจริงๆไม่ได้มีสารณาอย่างแท้จริงฉะนั้นก่อนที่จะตรงช่วงนี้เอามายบว่าอยากหวังที่สุดเนี่ยามาไปบรรยายธรรมแล้วก็จกัดให้มีการปฏิบัติธรรมที่ไหนอยากให้พวกเราได้อยู่กับทานศีลภาวนาที่แท้จริงไม่อยากให้เราอยู่กับ ทานศีลภาวนาปลอมๆนะอย่าอยู่กับทานศีลภาวนาปลอมๆแต่จงเข้าอยู่กับทานศีลและภาวนาที่แท้จริงแล้วยอมจะมีความสุขถ้าอยู่กับทานศีลภาวนาปลอมๆเนี่ยมันไม่ใช่ไงดูเหมือนใช่แต่มันไม่ใช่เพราะมันไม่ได้เข้าสัมผัส มันไม่ได้บริโภคมันไม่ได้ดื่มด่ําตัวเนื้อแท้ของศีลอย่างแท้ศีลเนี่ยมีความสุขมากนะโยมนะถ้าเราได้เข้าถึงแต่ใหม่ๆเนี่ยยอมต้องเพียรพยายามหน่อยนะกว่าจะเข้าถึงศีลกว่าจะเข้าถึงสมาธิและปัญญาอย่างแท้จริงเนี่ยแท้จริงก็คือว่าเราเพียรพยายามบางทีมันเข้าไม่ถึงบางทีมันเข้าไม่ถึงแต่เมื่อได้สัมผัสขึ้นมาแล้วยอมจะบอกกับตนเองว่า อ๋อคำว่าสันทิฏฐิโกเป็นอย่างนี้เองอันผู้ปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาจะพึงประจักษ์ชัดได้ด้วยตนเองมันเหมือนอาหารเนี่ยยอมแต่เราบริโภคเนี่ยมันมันอิ่มเองแล้วมีมความสุขอย่างนั้นจริงไอตัวกุศลศีลสมา ธ, มาธิและปัญญาศีล ส, สมาถาวริปัสสนาเหมือนกันเมื่อเราได้เข้าสัมผัสมันจะอิ่มแล้วก็สดชื่นและปราณนี้สงบและชีวิตเนี่ยมันจะ สิ่งที่เราหวังทั้งหมดในชีวิตเนี่ยที่จริงคือตรงนี้และศีลสมาทานศีลภาวนานี่แหละจะนําพากระแสชีวิตของพุทธบริษัทเข้าถึงหลักชัยที่แท้จริงคือความพ้นทุกข์ได้อย่างอื่นไม่ใช่ออมันไม่ใช่ทรั์มันไม่ใช่ยศมันไม่ใช่ญาตินะไม่ใช่เกียรติยศชื่อเสียงเนะืเป็นสรณะแต่ทานศีลภาวนาที่ตนเองได้เข้าถึงสัมผัสได้อย่างแท้จริง อันนี้เป็นศาสนะเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องกําจัดภัยเป็นที่เป็นไปในเบื้องหน้าอย่างแท้จริงนี่เป็นอย่างนี้อยอมฟังที่ยอมเขาพูดแล้วพอจะจับประเด็นได้ใช่ไหมเออนี่แหละเอาเดี๋ยวเราจะพักกันสัก10นาที15นาทีดีไหมพักกันสักหน่อยเดี๋ยวค่อยกลับมาฟังเรื่องอนาปณะเป็นการสรุปประเด็น